เรินพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาใครที่มีความสนใจอยากจะถามก็เชิญเข้ามาได้ถ้าเข้ามาก่อนถ้าเข้ามาหลังอาจจะต้องรอไปก่อนเพราะว่าห้องอาจจะเต็ม อันนี้เราไปที่เด็กชายนคุณก่อนนคุณอันนี้อยู่ที่ไหนคนกกรับแน้ไมาสกันกับป้าเจ้วันนี้ก็ไม่ใช่ปุ๊บวันนี้คือวันเกิด น, นักคุณนะครับเนียอายุเท่าไหร่แล้วครับห้าแล้วครับอ่าแล้วเหรอวันเกิดจะจะได้อะไรครับได้เค้กแล้วครับอแล้วอยากจะได้อะไรครับป้าเพอแล้วเดี๋ยวใ่ป้าเจ้า อ, อันนี้ พ่อพ่อจันไดของเล่นอันนี้ครับเออแล้วไม่คิดอยากจะทําบุญมั่งเหรอทำบุญป้าเมื่อเช้าตักบาตรพระอาจารย์ไปครับบอกสิเมื่อเช้าต่บาตรพระอาจารย์วยครับเอะตักที่ไหนฝากเงินเขาไปทําทุกวันพระ ก, กับวันพุธนะคะพอดีวันนี้วันพุธตรงกับวันเกิดพอดีร้านไหนร้านแมวแล้วรัานร้านตรงหัวโคงอ่ะค่ะอืม พี่ตักบาตพระอาจารย์ประจำหัดร้านตรงนั้นหนูฝ oh. ากไว้ทุกเดือนโอเคไปมีความสุขมากๆนะหนูพระอาจารย์บอก uh. ว่ามีความสุขมากๆค่ะความร้อสกัดค่ะพระอาจารย์ออย่าดื้อย่าสนนะอย่าดื้อย่าจนนะพระอาจารย์เี้าวันนี้เป็นไปเนิ่มเ้าโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปค่ะนมค่ะพระอาจารย์ยังเหลือยี่สิบอีกสิบห้าปีก่อนจะโตไหวไหมโอโห <า>เพอ เ, เรียนจบเกือบยี่สิบปีมั้งเดี๋ยวผววเนนได้ช่วงช่วงที่ผัวช่วงที่ปิดเทอมจะมาอาศัยวัดให้ช่วยถัดกรเป๋าบ้างคะ่ะทำไมอยากจะมีลูกกันนะเกินมีแล้วต้องเลี้ยงมันตั้งยี่สิบกว่าปีออตอนตอนไม่มีก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะคนใดอยากออกคนนอกอยากเข้าเหรอคะหรือว่าอะไรไม่แน่ใจยัง แตตอนไม่มีก็อย่างมีและเกินทำทุกวิถีทางเลยค่ะเออเนี่ยก็มีคนสายบาตรอยู่คู่หนึ่ง<ม>ก็ยังอยากจะได้ยั ง, ยงต้องยังไม่ได้ทันทีอ๋ออยากจะกระสิบว่าให้เป็นไปตามบุญตามกรร ม, มค่ะแล้วแต่นะคนคะไม่มีมมมญญไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาค่ะไม่มีห่วงไม่มี มันมันก็สุกไปคนละแบบอนะคะพระอาจารย์อืมมันก็ทุกอย่างอะ่ะมันมีสุกมันทุกคนมอด้วยกันค่ะ<ฆ>ถ้าไม่มีมันก็ไม่มีสกมม<ฆ>ุกก็ไม่มีมทุก็ไม่มีบางทีบางทีก็เห็นเอ่อ ล, ล, ลูกลูกเด็กคนอื่นอายุเท่ากันโอ้เขาก็เลี้ยงง่ายดีจังเลยนะคะท่านบอจับตั้งตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นมองคนที่เขาแยกแเราเนี่ยมองคนเป็นเดบบี้การก็ใชมค่ะ<ฆ> ำดำงนรถจังรถเข็นเนี่ยเด็กเลยค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรดีที่สุดแต่มีก็ต้องเสียงเนาะแล้วแต่บุญแต่กรรมแตคอร์ดค่ะวราจาอโอเคมีอะไรไหมไม่มีค่ะวันนี้ก็ตักบาตรแล้วก็ทำทุกๆวันพักกับวันพุธนะคะพระอาจารย์โอเคสาธ<ข>ุาค่ะสาธุค่ะอ่าจามเจที่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 เราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอเชื่อไหมว่าเป็นความจริงหรือเปล่าเชื่อครับเป็นความจริงของเราใช่ไหมใช่ความแก่ก็เป็นความจริงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นความจริงความตายก็เป็นความจริงนะครับอมันมันกําลังรอเราอยู่ข้างหน้านะเราจะทําไงกับมันดียอมรับครับยอมรับนะไม่ทุกกันมันนะครับ โอเคแล้วร่างกายตันมีอะไรบ้างอะมีผมขนเล็บันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเชื่อมกระดูกม้ามหัวใจตับผังพืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเชื่อมสมองสีสัน น้ำดีน้ำเสลกน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมะเหลวน้ำลายน้ำมูดน้ำใส่ข้อน้ำมูลน้ำมูดน้ำใส่ข้อน้ำมูดน้ำลายน้ำมะเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหนื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลก น้ำดีเยืในสมองศีรษะอาหารเกา่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตฝังผืนตับหัวใจม้ามเยืนกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนังฟันเล็บขน ผ, ผมแล้วเราอยู่ที่ไหนอ่ะไม่อยู่ั ไม่อยู่ในร่างกายร่างกายไม่ใช่เราใช่ไหมค่ะเราไปกลัวมันทําไมแล้มันเป็นอะไรอย่าไม่ได้ไปกับมันใช่ไหมไม่เป็นงั้นอย่าไปกลัวอย่าไปทุกข์อย่าไปเดือดร้อนกับมันอันนี้มันไม่เดือดร้อนเนร่างกายมันจะแก่จะเจ็บจะตายมันไม่รู้สึกอะไรนะมันต้นไม้ต้นไม้จะแก่จะเป็นอะไรต้นไม้มันก็ไม่เดือดร้อนอะไร งัเ้เราก็อย่าไปเดือดร้อนแทนมันนะไม่เกิดประโยชน์อะไรเข้าใจไหมดูแลได้ก็ดูแลไปรักษาได้ก็รักษาไปมันจะตายก็ต้องปล่อยมันตายไปเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งร่างกายบอใจนะ้าใจครับมีอะไรไหมที่จะถามไม่มีครับไม่มีก็ไปที่ฮอลแลนด์ต่อ สวัสดีคุณพรจักรพระวันโยเทินครับมัสการประจักครับคิดถึงแม่ไหมคิดถึงครับนยใชให้ yeah. <Say> รอกับแม่ mm hmm. แหม่อาจจะ <laughs> ดูอยู่ก็ได้นะ <laughs> ได้ครับวันนี้ม How are you Marco Good Thank you พระจใครถาม่ะวันนี้มิชคำถามครับ สีคำถามใช่อหมคะอืมใช่ครับอ่ามาข้อที่หนึ่งเอ่อพระจันได้ของฟอนคริสต์มาสของโอแลนด์ไหมคับของขวันจากคอลแลนด์เนอะอืมใช่ครับก็คนคอลแลนด์ไม่ส่งมาจะได้ยังไงล่ะเอาอ <c oughs> อ่าข้อที่สองเอ่ถ้า ม, มีอะไรเหมือนตัวเลืออะไรแล้วผมก็เดิน เออผมก็เดินแล้วผมก็ได้เจ็บเจ็บเพราะว่าผมกำลังเดินที่โตแล้วผมก็พูดคําหยาบหรืออะไรมาเป็นบาปไหมถ้าพูดคำหยาบก็บาปอย่าพูดคําหยาพูดคําสุภาพอย่าด่าคําหยาคําด่านี่เป็นคำเป็นคาไม่ดีพูดแล้วเป็นบาปนะพูดคําสุภาพ พูดคำอ่อนโยนนะข้อที่สามถ้ามันเกิดขึ้นผมทําอะไรได้ครับอะไรเกิดขึ้นเอผมกำลังเดินที่ต๊ะครับเดินเดินไปชนโต๊ะนะได้ยังไงอืมใช่ครับแล้วมันก็เฉียดและผมก็พูดคํายาบมันก็ต้องสอนใจว่าคราวต่อไปอย่าทําอีกแล้วกันทำไปแล้วเราเไปเปลี่ยนไม่ได้นะมัน ถ้าเราพยายามครั้งต่อไปถ้าเวลาไปทำแล้วเจ็บก็อย่าไปพูดคำหยาบพูดคำสุภาพผมบอกโอ้ยเจ็บครับเจ็บรืนเกินนะคำหยาบไม่ดีไม่มีใครอยากจะชอบฟังคนพูดคำหยาบคำหยาบเป็นคนเป็นการบ่งบอกความอยากของเรา ความหยาบซามของเราต่ำซามของเราเราไม่มีไม่มีคนสมบัติที่ดีคนดีไม่พูดคำหยาบนะพูดแต่คำสุภาพมีข้อที่สี่มีไหมมีครับถ้าผมเออกำลังทำสมาธิอยู่แล้วผมก็คันนิดนึงผมก็ต้องทำอะไรครับ ก็ อ, อย่าไปสนใจถ้าไปถ้าไปกามันก็กลับไปเริ่มต้นหน่อยเหมือนตะวันเดินไปโรงเรียนไปถึงครึ่งทางคิดถึงว่าโอ้อลืมกระเป๋าลืมของที่บ้านก็กลับไปที่บ้านอีกนตะวันก็ไปไม่ถึงโรงเรียนต้องเดินกลับไปที่บ้านเวลาเรานั่งสมาธิเราอยากมันต้องการปล่อยร่างกายเราจะออกจากร่างกายไปในเวลาร่างกายคันหรือเจ็บนึ่ถ้าเราไป ถ้าไปขยับร่างกายแล้วไปเกาเนี่ยเราก็เหมือนเกาเราเรากลับมันเริ่มต้นใหม่เขนาใจไหมถ้าไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่ก็นั่งสมาธิต่อไปไม่ต้องไปสนใจท่องพุโทโธให้ถี่ขึ้นให้อยู่กับพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวก็เรื่แล้วอาการคันมันก็จะไม่มารบกวนใจเราเข้าใจไหมเข้าใจครับแล้วนั่งสมาธิอย่านั่งเฉยๆนะแต่ว่า น, นั่งก็ต้องท่องพุโทโธอยู่เปล่า ช่วาอ่านะพอพอเาพอมันคันแล้วก็ก็รีบพูดโทพูดโทเลยให้อยู่พูดโธไปอย่าไปคิดถึงคำความคันเดี๋ยวความคันมันก็จะหายไปเองเราก็จะได้เข้าไปนึกเราต้องการเข้าไปในสมาธิแต่ถ้าเรากลับไปเก่านี่เรามันเราถอยออกจากสมาธิกลับไปที่ร่างกายงัย้นเมื่อเราเริ่มต้นนั่งสมาธิแล้วเราอย่าไป เีย่ยเราอย่าไปแตะต้องร่างกายเอย่าไปยุ่งกับร่างกายร่างกายอย่านั่งแล้วเอ็นซ้ายเอ็นขวาก็ไม่ไ้องไปขยับปล่อยมันเอ็นไปให้เราอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปอย่างเดียวถ้าเราอยากจะเข้าสมาธิถ้าเรามาปรับร่างกายมาขยับร่างกายเราก็เหมือนกลับมาเริ่มต้นใหม่พาใจไหมพอใจครับหมดแล้วยังหมดครับ ถามเด็กคุณแม่เราจะถามให้ตะวันไปให้พี่แอลฟราห์ฮ no thank you อาจารย์ I'll save until next week thank you very much okay <Sure. S 1> วันแล้วจะไม่คำถามช่ครับโอเคเป็นเด็กดีนะเป็นเด็กดีให้คุณแม่คุณแม่จะได้ปลื้มใจว่าไม่มีคุณแม่ตะวันก็ยังเป็นเด็กดีได้นะช่ครับโอเคเอาท่านนี้ก่อนนะโอเคครับโอเคสาธุบายบาย บายบาย thank you ับอาโอเคน้องพีขอบคุณแม่เป็นไงน้องพีปิดเทอมไม่ยังปิดเทอมยังยังยังไม่ปิดเทอมครับเออวันศุกร์หนูจะไปสอบแล้วสอบอะไรครับเออจาได้แค่วิทยาศาสตร์ครับเขาวันศุกร์สอบสองวิชาวิทยาศาสตร์กับอะไรจำไม่ได้ครับอ่ายัไปสอบยังจำไม่ได้ไะ วิทยาศาสตร์กับภาษาจีนครับเริ่มอ่านอย่างนั้นเรียนหลายภาษานดีเรียนมากมากตอนนี้โัสมองกำลังว่างอยู่เรียนได้เยอะเดินเข้าไปได้เยอะพอเตอพอเริ่มแก่แล้วมันสมองมันจะเต็มแล้วมันไม่มีช่องให้เข้าไปแล้วใช่คนะ่ะเมมโมรีเต็มแล้วบางทีก็ต้องดีลิตออกอ่าวันนี้มีอะไรไหมครับไม่มีคาถามครับ วันนี้าตาเศร้าสร้สอยเหมือนกันนะเก๊คคนะ่ะเก๊ชิค่ะเก๊คเก๊คค่ะ <laughs> เก๊กเกกไป ม, มีอ <laughs> กำลังเก๊แล <laughs> ้ <laughs> ออมีอะไรไหมคุณแม่นแมหนูมีอะไรถามหลวงตาไหมไม่มีค่ะจะมีอะไรจะโชว์หลวงตาไม่มีค่ะเอาประกาศทนียนบัตรกับรถที่ทำอะไร โลบติอกโลปติกเขาได้ที่สองอะแข่งที่โรงเรียนอ๋อเก่งนะยินดีด้วยแสดงความยินดีด้วยขาวหน้าให้ได้ที่หนึ่งนะขาวหน้าอห้ได้ที่หนึ่งเลยนะเขียนโค้ดก็ค่อนข้างยากเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนโค้ดแบบของ Scratch ที่แบบแบบเด็กๆทําเขาเขียนตอบบอกก็เขียนแบบ Java Script เลยอืมสมายนี้เด็กในกรอยู่ขนาดนี้ก็เขียนโปรแกรมได้นะ ก็มีครูช่วยสอนด้วยค่ะว่าเขาเพิ่งเคยทำคร <Becca. S 2> Lego, ั้งแรกเยค่ะแต่ว่าเรื่องต่อเลโก้ต่อเลวกนี้โหชอบตั้งแต่เด็กๆค่ะดีแสดงว่ามีหัวไปทางวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์ก็คะแนนดีดีแต่คณิตศาสตร์เนี่ยหเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวขึ้น ติดเพื่อนนึงค่ะหลวงพอ่อถ้าไม่ติดเพื่อนก็คะแนนก็สี่จุดศูนูนย์เหมือนเหมือนเดิมปกติพอโตแล้วก็แบบว่าอยากคือตามเพื่อนแล้วก็<า>กไม่ได้ทำแล้วหนูก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ติวลูกด้วยปล่อยให้เขาจัดการตัวเองหนูเหนื่อยแล้วหมดหมดหมดพลังตั้งแต่ห ม, หมดไฟแล้วค่ะตั้งแต่โควิดค่ะหลวงพอ่อเรียนออนไลน์สามปีหูห น, หนูอยู่กับลูกแบบ เป็นครูลูกเนี่ยจะทํางานบ้านทุกอย่างพอพอได้เข้าโรงเรียนหนูก็แบบปล่อยแล้วให้อ่านเองถ้าไม่อ่านก็สอบตกก็ซ่อมเอาแค่นั้นเราก็ให้ให้รับผลในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็หนูก็เข้าใจว่าทําไมมามาถึงให้หนูอ่านหนังสือเองเพราะว่ามามาอยากให้หนูรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็ช่วยหนูตัวเองได้เพราะต่อไปมามาจะไม่ได้อยู่กับหนูก็ได้ใช่ไหม หนูยันละเจะาถ้าไม่มีมาม่าแล้วหนู <Yeah. S 1> จะทำยังไงพระจ้าบอกให้ลราพึ่งตนเองให้มากที่สุดท่าที่เราจะทําได้นะอือัตตาหิอัตโนนาถุตนเป็นที่พึ่งของตนทําอะไรได้ทําเองอย่าไปให้มาม่าทํำให้อืทําอะไรได้ทําเองแต่งตัวเองได้ป่ะอาบน้าเองได้ป่าะแต่ยังให้มาม่าอาบอยู่ ก็เขาอาบเองได้ค่ะแต่ไม่สะอาดหนูก็ก็ตอนนี้ก็ปล่อยอะค่ะถ้าเป็นแบบวันหยุดก็ให้เขาจัดการเองแต่ถ้ากลับจากโรงเรียนช่วงนี้มันก็เชื้อโรคมันก็มีเชื้อโรคหนูก็จะอาบให้อ่ะค่ะแล้วสอนเ้าเนี่ยเขาอาบเองได้อาบเองได้ค่ะแต่ว่าบางทีก็ไม่อยากปล่อยเพราะว่าเขาเขาเวลาเขาคันนะคะเวลาเหมือนถ้าอาบไม่สะอาดอย่างเงี้ยบางทีเขาคันขนาดว่าอาบให้เขาก็ยังคัน เราก็ไปสปอยเขาเขาก็จะให้เราอาบ<ม>อยู่เรื่อยๆไม่เลยค่ะลุงพ่อเนี่ยอยากทําด้วยตัวเองทุกอย่าง <ไป S 2> แต่บางอย่างหนูก็แบบว่าปล่อยไม่ได้ค่ะปล่อยไม่ได้นะบาง<ม>อย่างคร<ม>ถ้าถ้าปล่อยแล้วหนูจะเหนื่อย<ม>เวลาอาบน้ํำก็โอ้ยถ้าอาบเองกลับไปหละครึ่งชั่วโมงน้องพีสัญยาน้องพี่สัตยา ออกมาก็ไม่ได้สะอาดแล้วหน้ายัางแห้งอยู่เลยแต่ตัวเปียกเป<อ>ี่น้ำมากกว่าน้ําัเด็กมีอะไรไม่มีคําถามอะไรไหมไม่มีค่ะก็หนูมีคําถามถามหลวงพ่อเจ้าค่ะเรื่องการนั่งสมาธินะคะเวลาหนูนั่งสมาธิเวลาจะท่องพุทโธนะคะหลวคือบางทีแบบยัง พูดโทยังไม่ถึงสิบคามันก็แบบว่าพูดโทว่าหายไปแล้วมันก็นิ่งแล้วแล้วทีนี้เนี่ยเราจะต้องกลับมาพูดโทใหม่อีกรอบไหมคะหรือว่าปล่อยให้มันนิ่งแต่มันมันนิ่งจริงหรือเปล่าถ้ามันนิ่งยังคิดอยู่มันก็ไม่นิ่งจริงถ้ามันนิ่งมันต้องแบบตกนุ่มตกบ่อแล้วมันทุกอย่างหายไปหมดต้องโกงร่างกายหายไปหมดใช่ค่ะบางทีนั่งแล้วก็แบบว่า หนูก็ไม่ไม่ทราบว่าว่ามันคือใช่หรือเปล่านะคะเพราะว่าหนูนั่งแบบนี้บ่อยเวลาแบบพูโทโธพุดโธอยู่ๆมันก็แบบว่ามันเงียบมันหายไปลมหายใจมันก็ไม่มีเคยเคยแบบสังเกตตัวเองแล้วก็ออกจากสมาธิแล้วก็คื้นมามาดูมาดูตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอพอเป็นอย่างเงี้บยบ่อยๆมันก็เริ่มชินกับการที่พอพูดโธคือพยายามจะพุดโธให้ได้ตลอด แต่มันมันทำไม่ได้มันอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปแล้วพอนั่งนั่งไปมันก็จะแบบว่าตัวมันเหมือนแบบบางบางครั้งอะค่ะหลวงพ่อมันก็จะเป็นหินตัวมันก็เหมือนเหมือนเป็นหินยังไม่สงบหรอยังไม่สงบต้องพุทโธต่อไปอย่าหยุดพุทโธพุทโธหายก็ดึงมันกลับมาได้เราเป็นคนสังมันได้ ต้องพูดโทรต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะต่อไปเรื่ อ, ๆ อ, อๆยๆจนกจิตจะว่างมันเวลาว่างจริงๆมันจะมาส์ใจมันจะไม่เคยเจอมาก่อนแล้วมันจะไม่อยากจะได้อะไรมันอยากจะได้ความว่างแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆบางทีก็ตัวก็จะพองันไม่ใช่ล่ะยังไม่ยังไม่ยังไม่เข้าสมาธิกำลองพาฟาฟาแดนมานอยู่มานจะหลอกล่อเราใช่ค่ะแต่หนูก็ไม่ได้สนใจกับเรื่องที่ ตัวพองหรือนิง่งอะไรเงี้ยแต่มันก็รู้สึกพอออกจากสมาธิแล้วมันเหมือนแบบเวลาแบบอะไรที่แบบเราคิดอะไรที่เราคิดไม่ออกเนี่ยค่ะอยู่ๆมันก็แบบตึ้งขึ้นมาให้เรารู้ว่าเราควรจะจัดการแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะไม่ควรจะไปยุ่งอะไรควรจะอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวแล้วนั่งสมาธิค่ะไม่ควรใช้ความคิดอะไรกับอะไรเลย พูดโธหายไปก็ต้องกลับมาพูดโทใหม่ใช่พูดโทใหม่บางทีก็บางทีก็สิทอีกนิดหนึงค่ะบางทีก็มันมีมันมันเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กําลังนั่งๆั่งแล้วจะมันจะนิ่งมันเหมือนมันเหมือนตัวมันเป็นยังไงก็ไม่ทราบอะค่ะมันตัวมันปกติมันไม่ใช่มันเหมือนจะแบบปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเหมือนแต่มันไม่ใช่หรอกถ้ามันถ้ามันสงบจริงๆมันจะตื่นเต้นมหาจารย์ใจ คือมันจะแบบว่าไม่ไ ม, ไ ม, มีไม่มีความคิดอะไรเลยเออมันควรู้สึกเหมือนกับยิ่งอถูกวัตเต้รางวัลที่หนึ่งเราจะไปปฏิบัติเจ้าค่ะอ่าโอเคถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็พูดโทพูดโทไปเรื่อยๆมันจะมีอาการไงก็ไม่ได้ไปสนใจไม่ว่าจะนิ่งเป็นชั่วโมงก็มันไม่นิ่งหรอมันไม่นิ่งหรออืมอื ม, อ ม, อมถ้านิ่ง<ป>ถ้ามันนิ่งมปนชั่วโมงก็หลับ้วนั้นนะ ถ้ามันไม่มันถ้าเันไม่มีความรู้สึกบาสจรย์ใจมันไม่ใช่ทั้งนั้นถ้ามันนิ่งแบบนั้นก็นั้นนิ่งแบบดับนะก็คือนิ่งที่ของหนูนิ่งก็คือหมายถึงว่าคือไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองเป็นตัวก็หลับก็หลับก็หลับอย่างมันเวลาหลับมันก็ไม่รู้สึกตัวแต่หนูยังได้ยินเสียงรอบข้างนะคะอันนี้ก็หลับไม่เสน่ห์ก็หลับไม่เสน่ห์ กำเพิ่ม่มได้คะ่ะต้องพูดโทรตลอดอพูดโทรหายทุกทีอพอพโทรหายมันก็เคิ่มหลับไปค่ะค่ะหลวงพ่อจะนำไปปฏิบัติเพราะถ้ามันเป็นสมาธิจริงๆมันจะมาจันจันใจมันนั้นจิตตงจากที่สูงลงมาแล้วก็วูบแล้วก็เน่งเบาสบาย ไม่เคยเจอความรู้สึกแบบนี้มาก่อนตั้งแต่เกิดมาเป็นของแปลกใหม่จริงๆโอเคนะพยายามทำให้ได้เจ้าค่ะหลวงพอ่อพยายามจะน้อยคน<อ>จะทำได้รอบประการได้คนที่อยู่ในห้องนี้ทั้งหมดยังไม่มีใครได้สักคนเนจะ้าค่ะหนูก็คิดว่าหนูยังไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าหนูก็ยังแบบไม่มีใครไม่มีใครไม่เคยมาเล่าให้ฟังว่าได้แบบนี้มค่ะ ในความนิ่งของหนูคือมันนิ่งนิ่งเป็นชั่วโมงจริงๆนิ่งแบบนั่งนิ่งแบบนั่งก็นิ่งแบบหับนั่นเป็นชั่วโมงอืมอแต่เพียงแต่เราเราได้ยินเสียงทุกอย่างเราข้างก็แปลว่าก็คือเหมือนเหมือนคนหลับแต่หลับไม่สนิทแบบนี้ข้างหลับข้างนกำเค็มแต่มันไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่มันก็แบบได้เวลาหลับไม่เจ็บปวดหรอกนั่งมันนั่งได้เป็นชั่วโมงเลย ค่ะหลวงพ่อโอเคนะค่ะขอให้หลวงพ่อท่าแข่งแข็งแรงนะเจ้าค่ะถ้ามันสมาธิมันจะไม่มันจะไม่พูดแบบนี้หรถ้ามันเป็นสมาธิจริงมันมันจะไม่ถามว่าจะทำไงต่อมันใช่เหมือนได้ได้ทองคํามาไม่ถามใครจะไปทําอะไรต่อเพราะหนูก็ยังไม่ไม่เพราะว่าก็ได้ฟังครูบาอาจารย์หลายรูปใกล้ให้พูดโธแต่บางทีแบบต้องห้องไปพูดโธหายแล้วมันก็อยู่มันก็นิ่งอยู่แบบนั้น หลับเลยนอนัอดีหลับโอเคนะอาจจะจควานิดน้อยไปนอนแล้วค่ะอ่าเะงั้นือนน้องทีนันนี้ค่ำเคิมนิเดี้วยอาทิตย์หน้าก็จะสอบยาวแล้วค่ะแล้วก็จะจะปิดปิดเทอมแล้วเดี๋ยวก็ช่วงประมาณปลายปลายปีประมาณยี่สิบกว่าก็ขึ้นเหนือค่ะอาจจะไม่ได้เจอรุ่นพ่ออ่า กไปทำหนุนน้าแต่น้าแต่จะค่ะการท่ถ้าการจะทำที่ติมากอธรรมอชงนี้น้าตรองเที่ยวนอกประเทศเยอะไหมการนสกการพระอาจารย์เยอะคะ่ะช่วงนี้เป็นจีนอินเดียคะ่ะจนีนอินเดียเยอ ะ, อะใช่ค่ะแน่นทงเลยค่ะตอนนี้เห็นว่าตอนนี้จีนมาอันดับหนึ่งเลยใช่ค่ะพระอาจารย์อินียอันดับสอง น่าจะเป็นจีน Indo อินโดอินเดียประมาณนี้ค<า>่ะอาจารย์โอเคไม่มีคําถามนะคะอาจารย์มันรับฟังถามค่ะปฏิบ<ไ>ัติทุกวันเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ทักการแข็งแรงนะคะทําไมไมปข้ามห้ามคุณหมอไม่ได้ไงตามคุณหมอต่อมองไม่เห็นคุณหมอพัก เ, เดี๋ยวก่อนคุณหมอพิเศษก่อนเชิญคุณหมอพิเศษไม่ได้ยินเสียงก็งเปิดใหม่ค่ะ เถวรัมัสการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายมาสร้างที่พึ่งของใจครับพระอาจารย์ที่พึ่งของใจก็มีอยู่สองอันนะอันแรกก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นศาระเป็นที่พึ่งเพราะถ้าไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่มีใครสอนให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ให้เราพบกับความสุขที่แท้จริงได้เราก็ต้องพึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นเนเป็นครูเป็นอาจารย์ แล้วลาไปโรงเรียนอาจารย์เวลาตอนที่คุณหมอเรียนแพทย์เราต้องมีอาจารย์แพทย์สอนใช่อืมสอนวิเชตวิชาต่างๆอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์เราไม่มีใครที่จะรู้ความจริงดีเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หนึ่งของการรักษาใจเรื่องของการกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ที่รู้จริงรู้แท้ ให้ยึดครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นครูบาอาจารย์ของเราไปพระพุทธเจ้าเป็นสัสัทาเทวมนุษย์สารังนะนะเป็นศาสดาเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแมรน้แต่เทวดายังต้องมาศึกษากับพระพุทธเจ้าอตอนนี้พระพุทธเจ้ามาอยู่ก็ต้องอาศัยพระธรรมพระเจ้าบอกพระธรรมกับเรานี่เป็นอันเดียวกันผููดได้เห็นธรรมนั้นเห็นเราตถาคต เราสามารถศึกษาพระสูตรต่างๆได้ธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรสติปัฏฐานสูตรสองสองสูตรนี้สําคัญศึกษาไปเราจะได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าถ้ามีพระอนิยนสงฆ์อยู่ใกล้บ้านเราหรือเราสามารถเข้าถึงได้ก็เรียนอยากท่านด้วยก็ดีจะได้มีสองแหล่งช่วยสนับสนุนกันเอพอตายไปดอกน้องซื้อมันอาจจะ อณะจะไม่ละเอียดถ้าเ้าในคุยในศึกษากับพระอริยสงฆ์ที่มีชีวิตอยู่ก็สามารถถามได้ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะข้อใดว่าพัฒ น, นาธรรมกับท่านได้คุยกันได้นี่แหละคือที่พึ่งของใจพระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปพึ่งคนอื่นะที่ไม่ใช่เป็นพระพระสงฆ์พระสงฆ์ต้องเป็นตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป แต่ถ้าได้ได้ผ้ า, าหลานจะดีที่สุดพราะผ้ า, าหลานที่จบปริญญาเอกนะพรโสมดาบันนี่ยังขั้นปรญญาตรีเลยวิสกิตดาคาพระอาณาคารนี่ขั้นเป็นปัญญาโทถ้เราอยากต้องการเรียนให้จบปริญญาเอกก็ต้องหาพระ้าหลานห า, รห า, าพระที่จบปริญญาเอกมาสอนแต่ถ้าไม่มีก็ก็ยังดีกัไม่ถ้าไม่มีก็เอาปัญญาโทก็ยังได้หรืปรญญาตีก็ยังได้ นี่กับพวกที่ยังไม่ได้จบยังไม่ได้เข้ามาหาลัยสอนได้ก็แค่ม .6 เลยสอนถ้าม .6 ก็เป็นความรูระดับโลกีะสอนให้รักษาสีนั่งสมาธิได้แต่สอนเรื่องทางปัญญาสอนไม่ได้อาริยสัจสีใต้รักนี่ต้องเป็นพระอริยบุคคลที่จะรู้จริงเห็นจริงฮะน่เมื่อมีครูสอนนั้วเราต้องนำมอาอไปปฏิบัติ ตอนนี้เราต้องเป็นที่พึ่งของเราแล้วล่ะอัตตาฮิอัตโนนาโตเราต้องเป็นผู้โนโนโ ป, ปฏิบัติคนอื่นปฏิบัติให้เราไม่ได้ พ, ดพระพุทธธรรมผสมปฏิบัติให้เราไม่ได้อุบาาจารย์ปฏิบัติให้เราไม่ได้นคุณหมอเรียนหมอเรียนเสร็จหมอต้องไปทำการบ้านเองใช่ไหอาจารย์ก็ไม่มาทำการบ้านให้เราและเวลาเข้าห้องสอบหมอต้องสอบเองอันนี้ก็เหมือนกันความเรีย น, นมาแล้วเราก็ต้องไปทาการบ้านเอา เอธาธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพิ่ไม่ให้หลืม อ, อย่างที่ยามาตกัดยจที่ท่องอยู่นี่ล้วมีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยอันนี้กำลังเท่าอริยสัจนะทุกขสัจข้อที่หนึ่งความทุกเวลาร่างกายแก่เจ็บตายความทุกข์ใจจะเกิดยขึ้นอันนี้เป็นการเอามาฝึกฝนเอามาทำการบ้านแล้วรอทำข้อสอบ ต่อไปเวลาเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายก็จะรู้ว่าสอบผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ทุกข์ก็ผ่านถ้ายังทุกข์อยู่ก็ยังไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็ต้องมาวิการดูว่าเรากำลังขาดอะไรส่วนใหญ่กันจะขาดสมาธิกันถ้าเป็นเด็เรียนเฉยๆไม่ฝึกสมาธิจิตไม่มีพลังไม่มีกําลังไม่มีอุเบกขาที่จะหยุดความอยากได้หยุดความทุกข์ได้ มันต้องไปฝึกสตินั่งสมาธิไปบวชไปถือศีลแปดกันมาจิตรวมไปดับปนาสมาธิพอจิตรวมแล้วจะมีอุเบกขาจะมีกําลังวางเฉยได้เวลานเจอความแก่ก็เฉยเจอความเจ็บก็เฉยเจอความตายก็เฉยอันนี้อัตตาหิอั ต, อตโนนาโถนี่คือที่พึ่งทางใจมีสองส่วนด้วยกัน เราพูดประทานระสงค์เป็นสารณะเป็นครูเป็นอาจารย์อัตตาเหตุท่าโนเราทนอนนาโถเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจมากขึ้นมากครับอาจารย์ยกับคุณคนอย่างสูงครับโอเคขั้นต่อไปอาจารย์พรหมพิรายคุณอ น, นุคูิอยู่ปอยู่ค่ะ กำลังเลี้มาแล้วค่ะกับมัดการพระอาจารย์ค่ะครับในมรดการพระอาจารย์ครับสบายแข็งแรงดีนะสบายดีครับอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เจอรู้สึกเป็นรู้สึกยาวนานไม่อยู่เาไปต่างประเทศเอนาะไปที่น้องคายข้ามไปดีวินญาณมาไปเยี่ยมจันทร์นะ ก็อยากจะไปไหนก็รีบไปแต่ตอนนี้นะตอไปไปไม่ได้เลยก็อะพยายามจะเร่งทำเวลาทำเวลาบ่ไปไปค่ะเราเราไม่ไปไหนนะเรายอมรับสภาพแกนะไปจ่ายไปได้ไปวัดหลวงตาบัวค่ะครั้งหนึ่งได้ไปกันทั้งครอบครัวแล้วก็ได้ตักบาตร แล้วก็ได้ขึ้นไปตอนหลงพ่อฉันเช้าแลาประเทศตอนเช้าก็เลยพาลูกกลับไปใหม่อีกครั้งหนึ่งในคุดติที่ท่านเคยเคยฉันตอนเช้าค่ะไปแล้วก็มีความสุขว่าอยากจะไปอยู่ที่นู่นสักพักหนึ่งเงียบสงบนี่ไปได้กันนีค่ะ โอเคไมีใช่ไหมไม่มีไม่มีคําถามค่ะมารับฟังค่ะมากราบพระอาจารย์ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นนานนะครับกลับกลับรับพรค่ะสาธุสาธุค่ะคุณหมอขาสนาตอนนี้ไม่ไปไหนเลยะอ๋อไม่ไปค่ะพระอาจารย์ส่วนใหญ่ก็คือพาคือถ้าเป็นตัวเองก็จะไม่อยากไปไหนแะพระอาจารย์ก็คือปฏิบัติแล้วว่าอยู่ที่ไหนจริงๆรู้สึกว่าอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้นะพระอาจารย์ เพราะว่ามันโอยู่ที่ใจใช่อยู่ที่สมาธิอยู่ที่ใจรับความพอถ้ามีความพอเมื่อไหร่มันก็สบถิ่ทันทีซึ่งมันโลภถ้ามันไม่พอมันก็ยังต้องนิ่นต่อไปอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ว่าตอนนี้ก็แค่พาคุณพ่อแบบให้คุณพ่อมีความสุขที่สุดตอนช่วงนี้ยครับช่วงช่วงปลายก็ยอมรับคําผัดค้านด้วยนะครับแตรู้สึกดีใจได้ดูแลท่าน ตอนช่วงเนี้ยดีใจบอกคุณพ่อทําใจให้พอแล้วคุณพ่อพอแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดพยายามพยายามให้คุณพ่อฟังว่าอาจารย์เยอะๆคําว่าท่านท่านทำเดียวท่านท่านถ้ามีปัญญาฟังแล้วจะเข้าใจคําว่าพอนี่ยขอพวกคุณเลยเดี๋ยวเปิดให้คุณพ่อฟังเลยใควให้พอให้เจอคําว่าพอแล้วมันไม่ต้องการอะไรนะใช่ค่ะ มีความสุขด้ตลอดเลยพระอาจารย์ค่ะแล้วก็เข้าใจที่พระอาจารย์บอกว่าคือถ้าเราเจริญมาไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ไม่มีสมุทัยเกิดใช่ไหมครพระอาจารย์ถ้เจริญมาขึ้นไปเรื่อยๆก็เมืกินยากินยาไปเรื่อยๆมันก็จะคุมเชื้อโรคไว้่ะถ้าไม่กินยาเนี่ยเชื้อโรคมันก็กเลับมาพระอาจารย์คะถ้าเราก็กินยาไปคุมเชื้อโรคแล้วก็ตัดรากตัดตัดกิ่งตัดใบไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็ขุดรากด้วยเอ่อด้วยยารยาศาสตร์ใช่ไหมครพระอาจารย์ด้วยไตรัก ก็คือขุดลากถอนคนที่เลสด้วยไตรักใช่ไหยพะจานทร์ทั้งนั้นแหะทุกกิเทุกตัวก็ต้องใช้ไตรักทั้งนั้นมันถจะตายถ้าตายแล้วก็คือเราก็จะเฉยๆเห็นก็เฉยๆถ้าทำบุญทาทานรักษาศีลนั่งสมาธิมันก็ตัดตัดใบตัดกิ่งตัดต้นแต่มันไม่ได้ถอนรากถอนโคนแต่ถอนโคนต้องใช้ปัญญาต้องเห็นเหตุเหตุของความทุกข์คือความอยากและการจะหยุดความอยากก็ต้องมีปัญญาเห็นไตรักว่าสิ่งที่อยากเป็นทุกข์ ค่ะแล้วก็เราก็เราก็เราสามารถจะดูได้ว่าไอ้ไอเนี่ยก็คือพอเราเฉยๆแล้วไม่อยากอะไรก็คือแบบแต่ว่าอันนี้มันก็คือตัดได้แล้วก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆว่ามันหมดจริงหรือเปล่าใช่หมอาจารยถ้ามันถ้ามันหมดจริงมันก็ไม่ทุกข์กับอะไรถ้ายัางทุกข์กับอะไรอยู่ก็สแสดงมันยังไม่หมดจริงเนี่ยต้องไม่ประมาทพอาจารย์ก็ทําไปเรื่อยๆเลยพอาจารย์ไม่ประมาทโอเคสาธ <ตำ S 1> ุค่ะขอบคุณค่ะอ่าจุ๊บโกเบ เป็นยังไงหนาวยังห น, นาวให่ไหมที่ญี่ปุ่นเห็นใส่เสื้อหลายชันน้นนันเอง ต, ตอนนี้หนาวเจ้าค่ะเกี่องศาตอนนี้อ่ากี่องศาตอนนี้ตอนนี้แหละคะตอนนี้เก้าองศาเจ้าค่ะเก้าองศอ ท, ที่ที่ในบ้านมีมีที่ทําความร้อนหรือเปล่ามีค่ะนั่งบนฮอทคาร์เป็กอยู่ค่ะอ๋อมันไม่ได้เป็นแบบแบบติดอยู่ในห้องอแบบแบบเครื่องแอรอย่างนี้ไหมอ๋อ ปกติถ้าเปิดก็เปิดได้คะ่ะแต่ว่า ม, มันเปิดไฟเลยนะค่ะอืมก็เลยใช้แบบเตาเราใช้เตาผิงเราเลยใช่ค่ะอ๋อเฉพาะตัวเราคนเดียวก็พอนะเร า, เ<อ>าใ ส, ใส่ใส่เสื้อผ้าหนาๆหน่อยจะได้ประหยัดค่าไฟใช่ค่ะประหยัดนะคด่าไฟด้วยค่ะวันนี้หนูไม่มีคำถามเจ้าค่ะพาาูอ้อารย์ก็ปฏิบัติสม่ำเสมอเจ้าค่ะอืมโอเคนะไม่ไม่ทิ้งนะ สตินี่สำคัญที่สุดนะนะะอ่าโอเคขอบพระคุณจ้ะค่ะไปที่คุณสาธกาชายนาไม่ได้เปิดไม่เจ้าไม่เปิดไม่ได้ไม่เปิดไมค์ยังแดงอยู่เลยอ่าเปิดได้แล้วอ่ามาฟังทำคระบอจาจารย์ ดฏิบัติอยู่ค่ะไม่มีปัญหาเลยนะเรื่อยๆมาเรียนเรียนครับไม่ทุกข์กับอะไรนะเรื่อยๆโอเคอ่าคุณเอกเชียงรายกลับนมัสการพระอาจารย์ครับเป็นยังไงยังในสัตว์เชิดเยอะเปล่าช่วงนี้ยังไม่ได้ในสัตว์เชิดกับอาจารย์ทำครั บ, รบแต่ก็ปฏิบัติทุกวันครับอาจารย์ทำไ ม, ไม่ไม่ขาดครับ เหมือนเหมือนทานข้าวที่อาจารย์บอกว่าเหมือนเรากินข้าวแล้วก็ไปบะทุวันนะครับอาจารย์ครับอืมครับผมทําไปเรื่อยๆนะทําไปเรื่อยๆด้วยทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวนี้เพิ่มเดินจุกกรมมาอีกครับในช่วงตอนเย็นนะอาจารย์ครับถ้าทํ า, า ม, มีเวลาก็กเดินจุกกรมแล้วก็เจริญสติทุวนสติทําให้มากสมาธิทําให้มากปัญญาทําให้มากครับเพราะว่าถ้าเกิดเอ่อถ้าถ<ม>้า ถ้าสติมันมันน้อยไปเวลานั่งแล้วมันไม่บุบแล้วมันมันมันไม่นิ่งไงครับอาจารย์ไม่นิ่งแล้วมันก็นั่งนั่งไม่ได้นานมันับนั่งไม่ได้นานเบอไม่อยากจะนั่งต่อครับผมใช่ครับถ้ามีสติมันจะเพลินมันจะเร็มันคอืมวันที่มุบไปก็เบาไปลมหายอะไหายก็เบาไปก็เอมันมีความสุขนลืๆนะครับ มัอธิบายไม่ถูกครับอาจารย์ต้องฝึกสติก่อนนั่งไม่ใช่มาฝึกตอนตอนนั่งสมาธิอย่างเดียวครับพูดโธไปทั้งวันนะหลือไม่งั้ก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายปลุกใจไว้กับร่างกายครับผมครับผมครับผมก็ก็ทําทําทุกวันนะครับบางทีบางทีมันเผลอก็ลืมบ้างกลับมาใหม่บางทีก็กลับมาเผลอก็กลับมาครับอาจารย์ครับก็ก็บางทีมันมันก็มีแบบว่าเออมันปวด พอบาอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ครับเออบางทีบางทีว่าเอ๊ะถ้าเราเอาทุกข์กับมันนะครับพระอาจารย์ใช่แล้วไม่ใช่ประมาณ น, นี้คร<า>กกับเราเกิดความอยากขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอาจารย์ไ อ, อความอยากตรงนั้นมันเป็นสมุ ท, ทยัยหรือเปล่าครับอาจารย์ใช่นั่นแหละเป็นตัวที่ตัวสร้างความทุกข์ใจขึ้นมา<ภ>ทุกข์กายแล้วยังไม่พอยังมาสร้างความทุกข์ใจไอตัวที่ตัวที่ทนไม่ไหวก็คือตัวทุกข์ใจนี่แหละมันทรมานครับ ผมทุกข์กายมันไม่ทรมานครับถ้าบางครั้งมันเกิดขึ้นมาเราใชพุทโธให้ถี่ไปเลยบริกรรมพุทโธพุทโธอย่าไปคิดถึงถึงความเจ็บของร่างกายให้อยู่กับพุทโธไปเดี๋ยวใจก็หยุดหยุดเหยาพอหยุดยาความความทุกข์ใจก็หายไปก็อยู่กับความเจ็บได้อย่างสบายครับผมครับผมใช่ครับพระอาจารย์ครับก็บางทีในในในขณะที่ในชีวิตประจาวันนะครับพระอาจารย์เรา ไม่ได้นั่งสมาธิอีกครับเพราะจามมันก็เจ็บอยู่มันเจ็บออกมาครับอาจารย์ก็ใช้สติเหมือนกันอย่าไปสนใจมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปครับับางทีผมก็พิจารณาอยู่เหมือนกันว่าร่างกายมันก็ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อย่างเงี้ยครับอาจารย์มเื่อทีมันก็เบามาครับอาจารย์ใช่ถ้าเราไม่มีความอยากไปยุ่งกับมันแล้วมันก็เบาถ้าไปอยากไปยุ่งกับมันมันก็เครียดขึ้นมาครับไอตรงที่ว่ามันหายไปอย่างเงี้ย คือเราอยู่ในมรรคใช่ไหมครับอาจารย์ที่ว่าอพิจารณาว่ามันร่างกายอ่ะมันเป็นรังของโรคมันมันก็เจ็บของมันเป็นเรื่องหน้าที่ของมันอย่างเงี้ยพระอาจารย์ใจเราก็เบาไปอย่างเงี้ยพระอาจารย์อกับแสดงว่าเร า, เรามีไม่อาเบรคขาเราปล่อยวางมันแน่ปล่อยวางไม่มีความอยากที่จะไปยุ่งกับมันใช่ครับอาจารย์ครับแต่ถ้า มันก็ไม่ไม่นานนะมันก็หงุดหิดกลับมาอีกพกที่นาอีกอย่างนี้ครับอาจารย์ก็่คนกันไปครับออถ้ามันยังกลับไปอยางไปอยากให้มันหาอยู่ก็ต้งังมันบังคับมันไม่ได้มันมันมาของมันนั่นเดี๋ยวมันก็ไปของมันเองมันจะอยู่ก็ไล่มันไปไม่ได้ครับผมครับก็ก็ปฏิบัตินี้วนวไปอย่างนี้ครับอาจารย์ครับมันก็เออมันก็เบาเบาไปครับเอให้ปล่อยวังไม่ให้ไปทุกข์กับมันไม่ให้ไปยุ่งกับมันครับผม ผมมันจะมาก็ปล่อยมันมามันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่มันจะไปก็ปล่อยมันไปครับครับผมก็พิจารณาอย่างนี้ไปในช่วงที่ไม่มันได้อยู่สมาธิครับอาจารย์ครับเออครับผมเราใช้ปัญญาเไงใช้ปัญญาสู้กับเวทนาครับแต่มันก็เจ็บร่างกายไม่มีอะไรเจ็บไปแล้วหมอหมอไปหาหมอฟันหมอทอนฟันอะไรหมอฉีดยุงฉีดยาอะไรมันก็ เราใช้ปัญญาสอนใจคมันก็มันต้องเจ็บนะจะนั่งไงห้ามมันก็ไม่ได้เจ็ บ, บขับไปมันเจ็บไปเราก็ดูเฉยๆไปอย่าไมอยากให้มันไม่เจ็บครับ ก, ก็ก็มีมีอยู่ครับมีมีอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งครับอาจารย์ไปไปไปรักษารากฟันครับรักษารากฟันหมอเขาทาก็ไม่ได้ฉีดยาฉีดอะไรนะครับอาจารย์ ก็ดูดูเขาทาไปเขาหลงนอนดูก็ดูแบบว่าดูร่างกายเขาทําร่างกายไปอย่างนี้ครับทําสมาธิไปอย่างนี้ครับอาจารย์ที่ดูได้ครับอาจารย์อถ้าดูเฉยๆก็จะก็จะไม่ทุกใจถ้าดูว่าอยากจะอยากจะให้หมอหยุดอยากจะไม่อยากจะทําก็ยิ่งทรมานใจแค่ไหนถ้ามีหรือว่าหมอก็ไม่แน่ใจว่าหมอท่านท่านชํานาญมากเลยไม่เจ็บหรือไงแต่ว่าก็คิดๆอยู่กันนะครับอาจารย์ก็แล้วแต่น้องแ้วแต่ก็จะ แจะคุดได้เข้าไปได้เปล่าครับแต่ก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไปพูดกับมันะครับอาจารย์ก็ก็ดูเขาทําไปครับอืมครับผมโอเคครับผมก็วันนี้ก็มารับฟังครับอาจารย์ก็ไม่มีอะไรครับก็ยังปฏิบัติดีนะครับอาจารย์สาธุกับขอผมอาจารย์ถ้าฐานแข็งแรงครับสาธุคุณแอนแอนน่าเลยแอนที่เฉยแอนที่เฉย อยู่ที่ไหนตอนนี้ครับนวัฒการรมหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นค uh, uh, ok ่ะโอ้โตเกียวเลยใช่ค่ะอยู่คนละมืงกับคุณคุณจุ๊ก oh uh uh ตอนนี้อยู่อยู่นาดิตะค่ะวันนี้นาดิตะค่ะ uh <ka. S 1> ไม่ได้เข้าย <ke> อยู่ที่ที่ที่โรงแรมใกล้ใกล้สนามาบินนี้หลยใช่ค่ะใกล้มากเลยค่ะได้ยินเสียงเครื่องบินขึ้นลงตลอดเลยแต่้องต้องรถไปเมื่อไหร่เวลาไปสนามบิน นั่งรถเมอ่อรถของของโรงแรมไปแค่ห้านาทีก็ถึงแล้วค่ะอยู่ใกล้ๆสนามบินนะค่ะมีรถรับสองเซนเรียบร้อยเลยนะใช่ค่ะก็มาฟังหลวงพ่อค่ะไม่ได้เข้ามาสองอาทิตย์ค่ะวันนี้วันนี้เข้ามาเหมือนเดิมก <c oughs> <c oughs> ็บางทีก็ไม่สะดวกนะเวลาไม่ตรงกัน สองอาทิตย์ที่แล้วเดินทางเยอะค่ะแล้วก็มีเรื่องอทํานู่นทนํานี่หลายอย่างก็เลยไม่เข้ามาแล้วก็แล้วก็ละอายใจด้วยค่ะเพราะว่าเข้ามาก็ไม่มีอะไรจะมามากราบรายงานหลวงพ่อว่าเรื่องปฏิบัติเพรไม่ได้ทําเลยแต่ว่ า, าอาทิตย์ก็ไม่ต้องรายงานมาเข้ามามามันไม่มาวางด้วย<อ>ค่ะก็ะเลยอาทิตย์นี้ก่อนเข้ามาก็เลยออ่่าปฏิบัติเขาเรียกอะไรนะคะก็จะเจริญสติตัดเจริญสมาธ ไปได้ได้สองสมวันติดกันนะคะวันอย่างวัน น, น, นี้วันนี้วันนี้วันหยุดหนูอยู่ญี่ปุ่นทั้งวันเลยหนูก็ได้เข้าลองนั่งสมาธิได้ไปสองรอบนั่งได้นานค่ะหลวงพ่อมันหนูเพิ่งเข้าใจทุ่ิหลวงพ่อบอกว่าเพิ่งทำได้ค่ะที่หลวงพ่อบอกว่าให้ให้ให้นั่งแล้วใหญ่ยาให้ให้แบบว่าไม่ต้องไปคิดถึงอะไรเลยให้ก็นั่งไปอยู่พยายาม จเจริญสติใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าจะได้จะเข้ามสมาธิได้<อ>ไหมใช่ค่ะวันนี้น ใ, <จ>ใช่ค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่หนูนั่งแล้วแบบหนูเข้าใจจริงๆว่าอ๋อโอเคพอเราพอเราไม่อยากแล้วมันมันสบายใจค่ะหลวงพ่อหนูนั่งปกติคือนั่งไปมันจะมีความกังวลแล้วก็นั่งนั่งไปได้แค่ยี่สบสามสิบนาทีพอออกจากสมาธิปุ๊บมานั่งมานั่งดูนาฬิกาว่าเอ้าเพิ่งนั่งไปได้แค่ยี่สิบนาทีเองแล้วก็จะท้อใช่ไหมคะ แต่อย่างวันเนี้ยค่ะเมื่อเช้าหนูนั่งไปใช่ไหมคะแล้วหนูก็บอกเองว่าเออไม่เป็นไรวันนี้เรานั่งนั่งสบายๆเนาะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาให้ได้สมาให้ได้สติแล้วก็อ่าฝึกไปเรื่อยๆอย่าเงี้ยเก็บเก็บแต้มไปกลายเป็นว่านั่งนั่งไปค่ะในระหว่างที่นั่งค่ะหลวงพ่อมันมันถึงจุดที่ที่เหมือนจะทําให้ให้เหมือนทุกครั้งค่ะที่ที่เหมือนจะเข้าไปในสมาธิได้แต่หนูก็ยังเข้าไม่ได้เหมือนเดิมแต่คือรู้บ้านเนี่ย มันเหมือนกับมันมีโอกาสให้ให้เราเข้าไปในสมาธิได้สองสารอบเลยเลยค่ะหลวงพ่ออันนี้ถือว่าถือว่ามันมันมันใช่ไหมคะที่ว่าเรานั่งมาแล้วมันมันไม่ใช่ว่าว่านั่งสมาธิจะกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงก็ตามมันจะเข้าไปในมันจะมีโอกาสเข้าไปถึงสมาธิได้แค่ครั้งเดียวแต่มันสามารถมาได้หลายๆครั้งใช่ไหมค่ะหลวงพ่อเหมือนกันมันก็แล้วแต่สติของเราถ้าสติเรากําลังพอมมันก็จะทะลุเข้าไปได้ ถ้ายังไม่พอมัน ก, ก็ก็จะไปติดอยู่ตรงนั้นค่ะคือหนูยังติดอยู่ตรงนี้ตลอดเลยค่ะแต่หนูแค่รู้สึกว่าวันนี้ช่วง<ล>ที่เราเวลาถึงจุดนั้นก็อย่าไปสนใจให้อยู่สติต่ตอไปค่ ะ, ะเราพูดโธก็พูดโธต่อไปดูลมก็ดูลมไปอย่าไปสนใจว่ามันเป็นมันเท็จไนแล้วค่ะก็วันนี้พอตอนที่มันถึงจุดเนี้ยปกตินหนูจะแบบอุ้ยต้องเข้าไปให้ได้ต้องเข้าไปให้ได้ไ ใ, ไดใช่ไหมคะมแต่วันนี้หนูหนูห น, หนูหนูมีโอกาสมาถึงจุดตรงเนี้สามรอบทุกครั้งที่เข้ามาถึงหนูก็จะแบบโอเคก็ ก็แค่เห็นว่าโอเคมาถึงตรงนี้แล้วนะถ้ามันเข้าไปได้ก็ได้แต่ก็คือก็ยังไม่มีสติมากพอที่จะเข้าไปตรงนั้นแต่แต่ว่าถือว่ามันมีโอกาสให้หนูมาถึงตรงนี้ได้ได้ระหว่างที่นั่งอะค่ะก็หนูไม่จันทร์สติต่อไหมค่ะหนูหนูก็พยายามแต่กลายเป็นว่าหนูรู้สึกดีตรงที่ว่าพออไปสนใจ<อ>ออไปสนใจนใ จ, ใจุดนั่นแทนใช่ค่ะก็เลยก็เลยข้อดีของวันนี้คือพอออกจากสมาธิอะค่ะเหมือน เหมือนพอไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจเรื่องเวลาหรือเรื่องว่าเราจะต้องเข้าไปในสมาธิให้ได้ค่ะหนูนั่งไปได้โดยที่ไม่ไม่ได้คิดว่ามันนานขนาดนี้คือหนูนั่งไปได้ชั่วโมงกว่าเลยค่ะหลวงพอ่อ mm hmm. หนูก็เลยรู้สึกโออก็ดีเนาะแอกว่าไม่ต้องดถือตรงเนี้ยมันไม่ไดผลอย่าไปกังวลเรื่องผลให้จะ ใ, ให้อยู่กับเหตุ mm hmm. คือการเจริญสติไปเค่ะวันนี้พอพอมันนั่งได้นานหนูเลยรู้สึก มีกำลังใจเมืเ่อเมื่อเย็นนี้ก็เข้าไปได้นั่งอีกรอบหนึ่งก็ก็อย่าประหยัดให้มา น, นั่งได้เหมือ่อกี้นี้ถ้าประหยัดมันก็ไม่ได้ค่ะแ ต, แต่แต่ก็เนี่ยค่ะพอบอกเตงบอกอย่างที่หลวงพ่อสอนว่าโอเคห้ามห้ามไปนึกถึงห้ามไปคาดหวังก็นั่งเหมือนที่เราเคยนั่งอะ่ะมันมีกําลังใจก็นั่งไปก็ก็นั่งได้นานค่ะแต่ว่าก็ยังจะประเด็นได้แล้วว่าเราต้องอยู่กับสตินีใช่ค่ะใช่ค่ะ ก็เลยรู้สึกว่าโอ้วันนี้เข้าใจแล้วว่าความไม่อยากนี่มันมันมีประโยชน์ตรงนี้นี่เองต้องไม่อยากจริงๆต้องไม่อยากแล้วก็ต้องไม่คาดหวังค่ะก็เลยทำให้นั่งนั่งนั่งสมาธิได้แบบมีความมีความ ม, วา ม, มีกำลังใจมากขึ้นค่ะก็เดียพยายามทต่อไปมันมันจะเข้าสูขข่การทำความได้ไม่ช้าก็ไม่ไม่ช้าก็เร็วถ้าทำไปเรื่อย ค่ะหนุ่มตอนนี้ก็เลยมีกําลังใจเลยคิดว่าเดี๋ยวต้องทําต่อเนื่องไปให้ให้มันเรื่อยๆเพราะว่าพอพอมาถึงบางบางทีหนูพอพอเหนื่อยหรือว่าไม่ไม่ใช่วันหยุดอะคะ่ะก็มันมีเวลาน้อยแล้วก็จะผัดผัดว่าวันนี้ไม่เอาแล้วถ้าเจริญ<อ>สติถ้าเจริญสติในช่วงระหว่างวันได้ก่อนที่จะมานั่งได้มันยิ่งมันยิ่งจะมีโอกาสเข้าได้ง่ายกว่าค่ะตอนนี้ก็พยายามก็ก็ใช้พุทโธ ได้มากขึ้นค่ะก็ระหว่างวันพอสติจะไปไม่มีก็พูดโทรกลับมาจะคิดอะไรตรงไหนดึงกลับมาดึงกลับมาดึงกลับมาค่ะค่ะมันดูว่าเรากลังทำอะไรอยู่ค่ะพยายามดึงมาให้ใ ห, ให้ให้ได้บ่อยที่สุดแต่ก็ดีตรงที่เหมือนมีพูดโทรอยู่กับอยู่กับใจนะคะตอนนี้คือพอนึกพอเริ่มจะออกนอกลู่นอกทางคิดอะไรนอก นอกเห๋ือจากที่มันควรจะคิดก็ดึงกลับมาที่พุโทโธก่อนเลยเค่ะก็จะพยายามต่อไปนะคะหลวงพ่อหนูเอาทีล เ, <อ>เล็กทีละตอนค่ะีละเล็กทีละน้ อ, อยใจเย็นๆทำไปเรื่อยๆกุมงนไม่ได้สร้างขึ้นมาภายในวันเดียวค่ะหนูก็หนูก็อย่างที่ฟังที่หลวงพ่อบอกว่า จะเอาอะไรกับการปฏิบัติแค่วันละครึ่งชั่วโมงจะมาคาดหวังให้มันเห็น<ม>อะไรภายในวันเดียวก็คงไม่ใช่หนู<ม>ก็เลยสบายไ <laughs> ม่ใช่สบายใจก็เลยแบบว่าไม่โลภ ก, ก็เลยเอา เ, อาเอาท่าเท่าที่ค่อยๆเราทําไปของเราอย่างเงี้ยได้มาไห น, นก็คตามก<า>ําลังของเราตามาตามาตามปัจจัยของเราค่ะ ข, ขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อขอให้อย่าท้อและอย่างเลิกก็แล้วกันไม่ไม่ท้อเลยค่ะทุกวันนี้ตอนก่อนจะนั่งมาที่ ค่ะหนูก็จะขอพรวขอให้ไม่หมดความเพียรขอให้มีมีแรงมีกําลังไม่หมดอ่าอะไรนะให้ได้แบบว่าตามครูบาอาาค่ะไม่เสื่มศาค่ะไม่เสืส่มศรัทธาค่ะหนูก็จะขอตรงนี้ไว้ตลอดให้ครูบาอาจารย์เมตตาค่ะ ข, ขอบพระคุณค่ะหลวงพ่ออย yeah. ่าสาธุคุณน้ากับคุณต้า คุณแนทไม่ใช่คุณนัดใช่แนทใช่ไหมแนทก็นะค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ครับกลับนมัสการแนทค่ะครับกลับถึงบ้านแล้อยู่ที่สำนักงานอยู่กลับถึงบ้านแล้วค่ะค่ะวันนี้เสร็จเร็วค่ะครับก็ก็เข้ามาฟังของกำลังใจจากพระอาจารย์แล้วก็มาฟังจากทุกทท่านครับก็เราช่วงนี้ผมก็พยายามเจริญสติระหว่างวันอยู่กับพุทโธให้ให้ให้มากให้มากครับแต่นั่งสมาธิก็ยังยังน้อยมากครับอาจารย์ก็ อาจจะเหนื่อยจากการทำ ง, งานก็จะพยายามปรับปรุงให้มากขึ้นขอให<อ>้<อ>ได้ฟังธรรมไปเรื่อยๆก็ยังดีาทานี้ก็จะมีให้พลังให้สติปัญญากับเรารของหนูจะตอนเช้าจะนั่งทำสมาธิแล้วเรารู้สึกว่ายังสงบค่ะแต่พอตอนเย็นจ ะ, จะต้องอาศัยการฟังธรรมค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตอนเย็นเราคิดมากคิดมาทั้งวันพอมาถึงบ้านมันยังไม่ยอมหยุดคิด ในตอเช้านี่เราได้พักผ่อนน้ำนอนแล้วก็แต่งขึ้นมาความคิดส่วนใหญ่ก็จะหายไปค่ะพระอาจารย์คร่ะก็รายงานตัวว่ายังปฏิบัติอยู่ค่ะที่พระอาจารย์บอกให้ให้สร้างสติสมาธิเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่พระอาจารย์บอกก็จําว่าพยายามพัฒนาเรื่องนี้ครับอาจารย์ดีนะครับเราพยายามจะทําต่อไปครับไม่หยุดครับนะครับขอให้อาจารย์ทักทายแข่งแรงค่ะพระอาจารย์ครับคุณอนันต์เชิญ อ น, นี้มีกิจกรรมอะไรหรือเปล่าไม่มีไม่เคยต อ, อนนี้ไม่มีค่ะอาจารย์ออก็มีแค่สวดไม่มียไ ม, ม่ออกไปนักเลยค่าอา<ไ>จารย <c oughs> ์อืก็ไม่ได้มีออกไปทําอะไรข้างนอกค่ะอ ย, อ ย, อยู่อยู่ก็อยู่กรุงเทพยอย่างเงี้ยค่ะก็ปฏิบัติทุกๆวันค่ะอาจารย์บางวันก็รู้เลยสติระหว่างวันคงไม่ดีแน่นั่งลําบากเหลือเกินอืมแต่ก็คิดว่าดีกว่าไม่ทําอย่างนั้นเราก็รู้เปล่าว่าเออเรา เรารู้รู้รู้ว่ามันมันไปแล้วก็ดึงมันกลับมาบางวันเรื่องมันมากนะเรื่องมันดึงไปเรื่องมันดึงไปค่ะใช่แต่ก็พยายามรู้เพราะอย่างน้อยก็รักษากําลังเพราะถ้าไม่ทาเลยเนี่ยมันจะรู้เลยว่ามันจิตจิตเสื่อมอย่างที่ทำหลงตาจริงๆนะพี่สาวครอแคเราแบบหายไม่ได้ปฏิบัติสักไม่กี่วันอ่ะโอ้โหกว่าจะดึงกําลังกลับมาได้เหมือนเดิมนเหมือนเราออกําลังกายเหมือนวิ่งถ้าว่าไหนหยุดวิ่งแล้วกลับมาวิ่งใหม่รู้สึกก็เหนื่อย ใช่สเราใช้แรงมากกว่าเ่าใด้แรงมากจริงๆอะก็เลยแต่ก็เลยแบบทุกวันน่ะเราต้องทําทําให้รักษากําลังถึงมันจะแบบบางวันสงบบ้างบางวันไม่เป็นไรขอให้มีความเพียนก็แล้วกันรักษาความเพลินไวยอย้อย่างน้อยก็รักษาความเพียนไว้ ค, ความเพียนสิ่งสําคัญจริงๆคะพ่แซนก็เลยแบบว่าทําใช่ต้องรักษาความเพียนเพราะอาจารย์เคยบอกว่าไม่ดีไม่มากขึ้นก็ต้องรักษาระดับไว้นะอย่าลดน้อยลงไปใช่ค่ะถ้าลดน้อยเหมือนเดินไตหนาว ค, ครัอาจารย์บางครันอาทิตย์ที่ผ่านมาพอดีไปเจออันนี้เราอยากได้ความรู้แต่ว่าจริงๆคือเราฟังเพราะว่าฟังพระอาจารย์สอนมาจนก็คิดว่ายังไงอะสมถะกับวิปัสสนามันต้องเดินไปด้วยกันมันเหมือนขาซ้ายขาขวาเพราะว่าเหมือนไปเจอเดี๋ยวนี้คา ว, ว่าชอบสอนทำจมงๆพระอาจารวันรุ่นครั้งที่แล้วเป็นไปหาหมอไปหาคุณหมอเป็นคุณหมอเนะี่ยตรวจเราแป๊บหนึ่งแต่สอนทำเรายาวกว่าตอนตรวจเราอีกพยายามจะบอกว่าเนี่ย ให้ไปวิปัสนาเลยจะไปใช้เวลาทำไมแบบเงินเสียเวลาให้เดินปัญญาพิจารณาทุกอย่างเป็นใจรักเลยก็เลยยงก็เลยถามว่าเอ๊แต่ว่าแบบเหมือนครูบาอาจารย์ก็สอนมาว่าเราต้องทำให้มีกำลังของสมาธิก่อนนะถ้าไมงั้นแล้วมันจะไม่มีกำลังในการไปใช้เดินปัญญาหรือพิจารณาทางใจรักเขก็ส่วนโยมมาว่ า, าหลวงตา ย, ยังเคยพูดเลยว่าปัญญาอบรมสมาธิเห็นไหม ไม่ได้นำมีดต้องแบบใช้สมาธิอย่างเดียวเราก็เลยยิม้มอย่างครานี้ก็เลยยิ้มอย่างเดียวแล้วพระอาจารย์ยมก็เลยไม่รู้สึก็เลยไม่ได้ตอบอะไรไปเหมือนเขาบอกว่าของเขาอ่ะเหมือนกับเนี่ยเราจะต้องพิจารณาไปเลยแล้วใจรับใช้แต่ปัญญาจะมาไม่ต้องไปนั่งเหมือนกับไม่ต้องเสียเวลาไปเอแบบสร้างกําลังตักสมาธิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เลยเออไม่ไม่ก็คิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะใช่แบบนั้นไหมพระอาจารย์่ะเพราะว่าฟังพระอาจารย์มา ยังไงสมาธิต้องมาก่อนไม่ไงั้นมันจะไม่มีกําลังโกล์ต้าท่านก็สอนทังสองอย่าง uh huh. ปัญญาลบสมาธินี่มันกรณีกรณีพิเศษอ้า uh huh. ว่าไหนเราใช้สติพุโทโธมันไม่อยู่ uh huh. เพรามันกังวลกับเรื่องอะบริษัทเราจะเจ้งอย่างเงี้ยก uh huh. ็คิดแต่เรื่องเรื่องจะทำไงให้บริษัทเราไม่เจ้ง uh huh. อันนี้ยังมาอยู่กับพุโทโธอยู่ไม่ได้ก็ uh huh. ใช้ปัญญา uh huh. ก็พิจรารณาบริษัทว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยง มันจะอยู่ยั่งยืนไปตลอดหรือเปล่าหรือมันก็เป็นอนิจจังอ่มันอยู่ภายใต้กฎตายรักหรือเปล่าอ่ามันเป็นอนัตตาหรือเปล่าเราควบคุมมันได้หรือเปล่าสั่งมันได้หรือเปล่าอ่าถ้ามันจะเจ๊งเราห้ามมันได้เปล่าอ่าถ้าไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเจ๊งไปนะพอยอมรับความจริงใจก็หายฟุงใจก็หายเครียดกับเรื่องบริษัทธ์ก็กลับมาพุทโธพุทโธต่อได้ในที่สุดก็กลับมาสมาธิอยู่ดีใช่ไหมวะได้ว่า ปัญญาแบบนี้มันทําให้จิตลงเข้าฌานสีไม่ได้หรอกอืมน่าจะค่ะ ก, ก, ก็คือเพียงแตแ่ว่าพามันคิดไปในกรอบของไตรลักษณ์เพื่อจะกลับมาสู่สมาธิอยู่ดีตรงนี้ให้ปล่อยให้ปล่อยวางเรื่องที่กําลังฟุ้งซ่านอยู่อ่าพยายามนั้นว่าบริสัทมันเป็นอนิจจังทุกขังของ น, นัตตานะมันจะเจงก็ต้องเจงอ่ะพยายามนะวพรามันต้องเจงมันก็พยายามนะร่งกายจะต้องตายถ้ามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปอไม่ไปทุกกับมัน มันก็หยุดมันก็ความเครียดความพุ่งสร้างเกี่ยวกับเรื่องบริษัทก็หยุดไปมันก็เลยทําให้จิตกรรมมาเป็นปกติแต่ยังไม่เป็นสมาธิแบบอัปปนาสมาธิไม่ใช่หรอกมันจะทำให้จิตกรรมมาเป็นปกติไปอา่า น, นั่งมาดูเราลื่พุโทโธได้มันจะเข้าฌานเสียงนั่งดูเราลื่พุโทโธอย่างเดียวอ่าครับ อเนี่ยฉัน ก, กพ็พอฟังหกก็เราก็คิดเอ๊ะปัญญาอบรมสมาธิลงตาก็ยังพูดถึงสมาธิก็จะต้องกลับมันมันฟังแบบมันเอาเอแต่เอ า, เอาแต่เอาฟังเพื่อจะเอามาใช้ประโยชน์กับตัวเองมันไม่ได้ฟังว่าท่านสอนยังไงแต่มันต้องใช้ปัญญาตามกรณีอออือแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนจะใช้ปัญญาแบบ น, นี้ได้บางคนก็ใช้ไม่เป็นบางก็ใช้ไม่ได้อย่างนี้ ใช่มันต้องเป็นแค่กรณีวันนั้นเกิดมีความฟุ้งซ่านจากอะอะไรขึ้นมาอ่านจากังวลากำเนิดพ่อหรือแม่จะตายอนี้ไม่มีกติก์กจัยแล้วนั่งสมาธิพุทโธก็พิจารณาพ่อแม่เป็นอนิจจ์ทุกขังหน้าตาหรือเปล่าถ้าปล่อยว่างได้เราก็จะสงบแ ล, แล้วก็กลับมาทําหน้าที่ของเราได้พ่อแม่ก็อยู่ของเขาไปก็จะตายเมื่อไหร่ก็เรื่องของเขาไปใช่อื ม, อม อันนี้ก็ดีใช่ค่ะมันก็ทุกอย่างเราใช้ตายรักได้หมดนะกังวลกับเรื่องใดกังวลกับลูกกังวลกับสามีกังวลกับบริษัทกังวลกับการเมืองอะไรก็เหมือนก็ตายรักทั้งหมดแนละ้วอ่าแต่ตว่าันนี้มันยังเป็นปัญญาแบบเรานำมาพิจรนารณาเป็นความคิดเท่านั้นใช่ไหมพระอาจารย์เป็นความคิดเป็นจินตาไม่ ย, ปรรยาปัญญาเพโดยทำจิตให้กลับมาเป็นปกติแต่ไม่ได้ทําให้จิตให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิมันไม่เป็นบ เอามาแค่แตตรองวิจารณเ<ม>ท่า น, นั้นเองเพื่อให้ตกขลุกแต่ว่ามันไม่ได้ไปถึงจุดที่สงบอย่างอัปปนาสมาธิเราจะให้มันเป็นอัปปนาสมาธิมันต้องเจอทุกขเวทนาในร่างกายอย่างเนี้เราใช้ปัญญาพิจารณาปล่อยวางทุกขเวทนาได้อันนี้จิตจะลงเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิได้อออื่า เส้นทางก็จะมาแต่มันต้องมีเหตุไงไม่ใช่นั่งอยู่เฉยถ้ามันมีทุกขเวทนาเราจะมาเอาทุกขเวทนาอะไรมาเป็นเหตุให้เราพิจารณาด้วยปัญญาอ๋อใช่เคยได้ยินมามันแบบทุกขเวทนาเป็นหินหินรับปัญญารับปัญญาอันนี้นั่งถึงนั่งกันแปดชั่วโมงเพื่อให้ทุกขเวทนามเกิดอืมันคือว่าจะมารูปอกนั่งรอมันเลยนะเนี่ยนั่งรอมาเลยนะ้มันมาจะได้ใช้ปัญญาซึ่งกับมันใช่ค่ะอ ใช่ค่ะแม่จันนั่นแหละหมวกยอมก็ว่านั่นแหละก็ต้องกลับมาหาสมาธิอยู่ดีผู้เจ้าสอนสมาธิเสียเวลาทำไมนาก็ตัดสมาธิไปเลยเอาปัญญาอย่างเดียวมรรคแปดก็ไปแค่มรรคเจ็ดจะได้ง่ายๆขึ้นไม่ดี น, นี่ทาไมงีงไม่อ้างมั่งฮะผู้เจ้าสอนสมาสมาธิเพราะว่าแบบเขาก็บอกยอมนะว่าเนี่ยเห็นไหมว่า มักแปดเนี่ยขึ้นด้วยสมาธิิสมา ธ, มาธิคือปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยต้องมาก่อนสีหนึ่งนะโอ้คนิยมแบบไปไม่ถูกเลยแบบนั่งเลยแบบฟังเป็นผู้ฟังอย่างเดียวเลยยิ้มอย่างเดียวเพราะว่ารู้แล้วแบบเขาคงมีแบบความเชื่อของเขาก็เลยแบบโอ้โหเดี๋ยวนี้คารวาะก็มีทฤษฎีแปลกๆกันมาเยอะเยอะเยอะครนี้ไม่ได้ปฏิบัติกันใช่แต่ความคิดนักความนักคิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็บรรลุด้วยความนักคิดไม่ใช่บรรลุด้วยการปฏิบัติ ใ่คมันมีเห็นแบบโปสเตอร์พระอาจารย์อาทิตย์ผ่านมาบาง ก, ก็คนที่แบบมีพวกปัญญามากอย่างเงี้ยจริงๆคือมันรู้ด้วยความคิดไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติอย่างเงี้ยนะคตอนที่ปฏิบัติจริงเนี่ยไม่ค่อยอยากจะพูดไม่ค่อยอยากจ ะ, สะแสดงทำของใครพร <c oughs> ะพุทธเจ้านี่ไม่อยากจ ะ, สะแสดงทำตอนที่ตัดสรู้ใ ห, หม่ใหมอ่าอาจารย์อยู่เฉยดีกว่าว่ามันไม่ใช่เป็นธรรมที่จะเข้าถึงได้แบบง่ายๆอ่า <c oughs> ถ้าศีลสมาธิไม่พร้อมให้ปัญญาไปมันก็มันก็รับไปได้กานถึงเลือกแสดงธรรมกับกลุ่มกลุ่มที่มีศีลกับสมาธิก่อนพร้อมเพวกนักบวชปัญจวัคคีเขามีศีลเก็มีฌานทั้งนั้นอ่ะแสดงด้วยปัญญานี่หมดพร้นกันไปหมดเลย อพอยุคต่อมามาสอนพวกที่ไม่มีสีไม่มีสมาธิก็เลยต้องมาสอนสติก่อ น, ส, อนสติปัฏฐานารสติเดินจงกรมนั่งสมาธิานาปันสติหให้ได้ฌานก่อนแล้วค่ก็สอนเนื่องตาลักต่อไปอปัญญาอาจารยนวัฒการขอบพระคุณเหมนได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกวันนี <laughs> ้ไม่มีอะไรแล้วค่ะอาจารย์สาธาุอาจารยค่ะ คุณเหงหายไปเหมือนกันเนี่ยคุณเหงหายไปไหนม า, มนม า, าการนมัสการพระอาจารย์วัดจะเม็มาซุ้มก็ไม่เข้าหายไปค่ะตั้งแต่ฮาโลวีนแล้วก็กัะถิ่นแล้วอพอกลับมาก็มีญาติผู้ใหญ่อะที่เคารบท่านก็เสียค่เขายุ่งกับงานศพอะไรเงี้ยค่ะอืไปสบายน ะ, ะ้วค่ะตอนแรกว่าจะถามพระอาจารย์เหมือนกันว่ายังไงแต่ว่าเขาก็ ไปแบบไปเร็วกะค่ะออยู่ก็ไปในสบายกว่ากันอยู่ก็ต้องทุกกับร่างกายพอไปไม่มีร่างกายก็สบายค่ะยังไเพียงแต่ว่าอย่าไปฆ่าตัวตายนั้นนะฆ่าตัวตายมันไปสร้างความทุกข์ในใจเพิ่มเติมไปทําบาปแล้วก็สร้างความอยากในใ จ, จแต่ถ้าแต่ถ้ามันร่างกายมันตายเองอะก็โอเคไม่เป็นอะไรถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาหาหมอไม่ต้องไป ไ็่ต้องไปกินยาไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมสบายกว่าเยอะถ้ามีร่างกายก็ไม่มีร่างกายตอนแรกที่เขาป่วยรู้ว่าเป็นมะเร็งมีก้อนเนื้อบนสมองสามก้อนนะคะพรคุณเจ้าแล้วที่นี่ว่าเออเหมือนเป็นญาติญาตขิของของโยมอ่ะเขาก็บอกเหมือนกัเห็นทุกคนดูเหมือนตั้งทุกับเขาอ่ะเขาก็พูดว่าตายก็ตายแค่นี้เองแล้วเขาก็ไม่ได้ดูทุกข์อะไร แล้วพอวันที่จะไปโรงพยาบาลเหมือนเขาจะบอกอ่ะเหมือนกับภรรยาเขาว่าไม่ไปไม่ไปแต่ว่าทุกคนพอเห็นเหมือนกับว่าเขาเขาเขาไอแล้วมีเลือดออกค่ะ<ม>ก็เลยว่าจะต้องไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลปับ๊บก็เข้าห้องพิเศษอะคะ่ะเขาก็ต้องเอาอะไรนะเหมือนกับดูคนไข้เหนื่อยอะก็ต้องเอาออกซิเจนมามาใส่และ<ม>แล้วก็ดูว่าจะกินข้าวไม่ได้ก็จะต้องเอาขอ่าใช่เอาสายยาง<ๆ>มา ที่นิยมก็ไปไปดูเขา ว, วันวันก่อนนั้นที่เขาจะเสียค่ะเขาคิดในใจว่าจริงๆเขาอ่ะคงคงไม่ชอบหรอกให้มาทําอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยพอว่ารุ่งขึ้นเขาก็ไปเลยเหมือนไปสบายแล้วค่ะอืจริงๆอ ย, อยไปหาหมออย่าไปโรงพยาบาลเลยถึงเวลาให้ตายแบบง่ายๆดีกว่าอย่าไปตายแบบยากเลยตอนแรกโยมก็คิดอย่างนี้นะคะพระคุณเจ้าว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไม่สบาย พ่อแม่ไม่สบายเนี่ยก็จริงๆถ้าเขาไม่อยากไปก็ไม่ต้องให้เขาไปให้เขาตายสบายๆแต่วันนั้นโยงไปฟังมีคนหนึ่งเขารู้สึกผิดอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยคือพ่อแม่เขาอ่ะจะเสียอยู่แล้วอ่ะเขาดันเชื่อแล้วทีนี้พอพ่อแม่เขาปล่อยไว้อ่ะพ่อแม่เหมือนแบบต้อเลยตายที่บ้านนั่นแหละเขาก็ทําให้เขารู้สึก g u i ตี้แบบติดอยู่ในใจตลอดเลยโยงว่าอ๋อคนละก็คิดคนละแบบเนาะมาตั้งแต่ค่ะ อันนี้ก็บังคับกันไม่ได้นะแต่จะคิดค่ะพุทเจ้าแต่อั้วุตตเจ้าก็ไม่มีโรงพยาบาลหลวงปู่มั่นก็ไม่มีโรงพยาบาลค่ะพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านท่านไม่เข้าโรงพยาบาลเวลาท่านตายแล้วค่ะเข้าเข้าใจอ่ะพอไปเห็นพอเห็นวาระสุดท้ายแล้วก็เอสุดท้ายแล้วพองานพิธีอะไรพอเผาปุ๊บ จริงๆคนก็เหลือแค่นิดเดียวโครงกระดูกอะไรก็เหลือแบบายากท่ากันเลยก็ท่านเด็นค่ะเหลือแค่แค่กระดูกเนี่ยพอเขาเผาปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะเหลือแค่นิดเดียวเองแล้วเขาก็เอาเหรียญมาวางเหมือนแบบแทนสาสิบสองเหรียญให้แทนอาการสาสิบสองแล้วก็เอากระดูกกลับบ้านเพื่อไปทําอะไรก็จะไปจะไปลอยก็ได้วแวแต่จะเก็บไว้ก็ได้จะไปลอยอังคางก็ได้หลวงตามหาบัวแม่ของหลวงตามหาบัวท่านก็ให้ไปลอย้คนต้นโพไปเลย เป็นปุ๋ยไปเลยค่ะทีนี้พระอาจารย์จะถามนิดนึงว่ากระดูกของบรรพบุรุษอย่างเงี้ยเอ่อเอ า, เ อ, าอย่างอย่างเขาไม่ค่อยบ้านเขาก็คือทันสมัยเขาก็ไม่ไม่กังวลในเรื่องอะไรหรอกแต่ว่าบางทีอ่ะอย่างพวกเขาจะบอกว่ากระดูกคนตายไว้ในบ้านไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระองค้าคนเป็นอย่างคนตายมันตายแล้วเป็นยังกระดูก กระดูกมันก็เป็นกระดูกอยู่นี่มันก็เป็นธาตุดินอยู่นี่ก็มันเป็นความเชื่อความจริงมันมันก็มันมันไม่มีดีไม่มีชั่วกระดูกมันก็เป็นกระดูกของมันเป็นกรดินนี่เราไปยึดไปเถียว่าเพราะอะไรเป็นของคนตายเก็บไว้ในบ้านไม่ได้อเจ้าค่ะแล้วทําไมคผู้หเห็นเป็ดไกยที่เรากินเข้าไปในท้องมันอยู่ในท้องเราได้ของตายนั้นไม่ใช่เลยเจ้าค่ะทําไมทำไมกินได้ ทำไมอยู่ได้ทำไมอยู่ในใ น, ในท้องเราได้เพราะกระดูกของคนตายอยู่ในบ้านเราไม่ได้แต่เนื้อของของสัตว์ที่เรากินเข้าไปมันก็มันก็เนื้อของสัตว์ที่ตายแล้วไม่ใช่เลยแมันไม่มีเหตุมีผลอ่ะถ้ามาในตามอารมณ์นั่นเองค่ะตามความกลัวกลัวผีกันนะที่ด้วยก็เป็นผีผีเดิบอยู่ดีๆนี่กลับไม่กลัวใช่ไหม ค่ะโคงกระดูกอยู่ที่ไหนตอนนี้เราไม่มีโครงกระดูกแล้วแต่พอเห็นโคงกระดูกแขวนอยู่ในบ้านเลยช็อกตายเลยใช่ไหมถ้าวโคงกระดูกบางแขวนในบ้านนี่เรื่องค่ะงั้นจะได้บอกหลานให้สบายใจว่าไม่เป็นไรหรอกก็ไว้ถ้าเกิดคิดว่าพ่อเขาชอบอยู่ตรงจุดนี้ก็ฝังไว้ตรงที่เขาชอบอยู่นั่นแหละเพราะว่ามันก็เป็นโครงกระดูกนั่นแหละไม่มีอะไรแล้วอืม ไม่เกิดใครไม่เกิดใครแม่เอาขงกระดูของพ่อมาแขวนไว้ในบ้านนี่คิดยังไงแล้วคองกระดูกของเรที่เดินไปเดินมาไม่ไม่เห็นมั้งนะ <c oughs> ใช่ไหมเราไม่คองกระดูกันหรือเปล่านั่นแหละมันไม่มีเหตุมีผลนะ่ะถ้ากิเลสแนละ้วโมหนะนล้วแต่แล้วแต่มันจะนึกคิดไปแนละ้วมันก็เชื่อไปตามความนึกคิดของมันเองนะั่นคับ เราเป็นผีดิบแท้ๆเนี่ยผีพอไม่หายใจปัวบก็กลายเป็นผีผีจริงเลยะ่ะพอไม่หายใจปั๊บเขาเขาย้ายเราออกจากบ้านนี้ไปเลยบ้านถึงบ้าเราจะเป็นคนสร้างขึ้นมาเขาก็ไม่ให้อยู่แล้วเจ้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วค่ะอ่าอ่าก็แล้วแต่นี่แล้วแต่คำรู้สึกนึกคิดมันก็ไม่นี่เราพูดด้วยเห็นได้ผลให้สังว่ามันไม่มีอะไรที่จะต้องไปกังวลนะ อ้อะไรก็ทำตามทำเนียมส่วนใหญ่เขาก็ไม่เอาเก็ไม่เอาเอาเอาอัฐิอะไรไว้บางคนนอกจากเขาเคารพนับถือก็เก็บไว้ในบ้านก็มีถ้าก็มีหิ้งผ้าอันนี้ห้องพ้าเขาก็ใส่ใส่พระอบไว้แล้วก็ตั้งไว้เพื่อเวลาก่อนนอนไหว้พระแล้วเสร็จก็จะได้กราบพ่อกราบแม่ไปอันนี้ก็ทำได้เจ้าค่ะ แต่ส่วนใหญ่เวลาบางทีเดี๋ยวนี้ยพอไปวัดทอไว้ น, น, นานๆเขาก็ต้องลื้อลื้อแล้วก็ไอกระดูื้นี่เขาก็ก็โยนทิ้งไปค่ะเหมือนกับวัดเขต้อ ง, งรีโนเวตอย่างเงี้ยค่ะเพราะนลื้อป่าช้าอย่างเงี้ยนี่นป่าช้า<ม>จงนั้นลุกหลานก็ไม่สนใจแล้วก็หางวัดก็ไม่ไม่จะไปติดต่อในอเจ้าค่ะโอเคนะมันไม่พระพุทธเจ้ า, าก็ อธ่โมชฌาก็แจกไปก็อยากจะได้ก็ไปบูชากันไปยอมเห็นก็เลยแบบเอค่อนข้างเข้าใจอะค่ะที่พระอาจารย์สอนมาก็อ่าเห็นธาตุสี่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันต้องคืนสู่ธรรมชาตินะคะก็เข้าใจมากขึ้นอ่ะมันก็ธาตดินเนี่ยกระดูกใส่กระดูกก็เปนธาตุดินทีนนท่เวลานานมันก็จะผุแล้วก็พังกายเป็นดินไปต่อไปเจ้าค่ะแต่ว่า ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าการเผาเห็นบางแต่ก่อนนะคะมันนีงเป็นกระดูกใหญ่ๆอยู่ของคุณปู่ค่ ะ, ะแต่วันนี้เขาใช้ไฟแบบไฟเขาไฟฟ้าใช ไ, ไฟฟ้าใช่ไ ฟ, ฟาบรรยายกว่าเลือนิดเดียวเองค่ะเลือนิดเดียวเป็นงงหงคงนิดเดียว ค, ค่ะอุณหภูมิมันสูงกว่าเยอะเลยมันทําทำทำลายกระดูกที่มันเผายากให้มันให้มันพูพังง่ายป่ะให้ให้ลงเลือนนิดเดียวเองค่ะเลือนนิดเดียวนี่ แต่สำหรับคูบาอาจารย์เขายัางนิยมใช้ใช้ไฟธรรมดาใช้ฐานเนะท่านัเพราะกรวดเนยเพราะฐานจะถูกเผาอ๋อได้มีแบ่งแจกเยอะหน่นอย <laughs> มีแต่คนอยากได้นะคะเพราะถ้าใช่ทําไมกระดูกของครูบาอาจารย์เก่าอยากจะได้กันบึงทีปปะสวะยังอยากได้เลยได้ทุกอย่างตัวของท่านอยากจะได้กันหมดเนีาะค่ะ ใครได้ยินมาบางรืปเขาไปกดหลุมส่วมของท่านเลยเอาอุจจาระที่อยู่ในหลงมสวงได้มาบูชาอะไรเงี้ยมีเจ้าค่ะมาทำวัตถุมงคลโอ้โหอ้โหดีมาค่ะ <laughs> แล้วแต่ความเชื่ออันนี้ก็เป็นเดรัจฉ า, าวิชาทนะั้งนั้นมันไม่ได้เป็นธรรมะธรรมะจริงอยู่แค่สัจธรรมความจริงของญาติสัจีกับตายรักนี่ท่านั้นค่ะเชื่อกดแห่งกรรมเชื่อกดของตายรัก นะคะตรงนั้นไม่ต้องไปเชื่อให้เสียเวลาแต่ยมก็มีพัพบรมภาษาลิเยกาธาที่ที่ที่มีอ่าผู้ใหญ่ให้มายมก็ยังเอาไว้เป็นที่เป็นเป็นที่ลึกอยู่ค่ะเป็นที่ก็เราสตาร์ก็เลิกได้แล้วก็อย่างที่บอกมันก็เป็นแค่มันก็เป็นแค่ธาตุมันก็เป็นแค่ธาตุดินเอพราะธาตุมันก็เป็นธาตุาาาาดินอย่างดียว แล้วมันไม่ได้มาทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เจ้าค่ะอโอเคนะค่ะกลาวขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะยัง<ะ>ปฏิบัติอยู่ค่ะจะพยายามให้มากครึ่งเจ้าค่ ะ, ะจา้าเธ้จ้าอคุณมาลีมีอะไรบูชาป่ะหรือ ป, ปฏิบัติ บ, ต บ, ต บ, ต บ, ตบตูชาอย่างเดียวกล่าวหลวงพ่อค่ะปฏิบัติบูชาข้าหลวงพ่อพอแล้วนะไม่เอานไรจะดีแล้วเท่ากับการปฏิบัติบูชาพระเจ้าบอส ปฏิบัติทุกวันแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรก็ขอปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสองฆ์อะไรเงี้ยค่ะบูชาพระรัตนตรัแค่เนี้ค่ะหลวงพ่ออยาบไหว้พระพระธาตุวันละร้อยครั้งก็สู้เจริญสติวันละร้อยครั้งไม่ได้ใช่ไหมค่ะหลวงพ่ อ, มอไม่ แต่คิดว่าไม่มีบุญได้มีพระธาตุเสด็จอะไรที่เขาบอกกันอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่มีบุญบุญแบบนี้ไม่มีก็ดีจะได้ไม่ต้องมาคอยกังวลมีแล้วต้องมาคอยดูแลรักษาอย่างเงค่ะหลวงพ่าแต่แต่มีคนเขาให้มาค่ะหลวงพ่อให้มานิดเดียวแล้วเสร็จแล้วหนูก็ไปดูก็มาก็มาขึ้นในในขวดเล็กๆอะค่ะก็ขึ้นมา เห็นแค่ครั้งเดียวแล้วก็อยู่ในห้องพระที่บนเรือนใหญ่หนูก็ไม่ได้ไปดูอีกเลยนะคะ<ม>แล้วก็แล้วหนูก็มาปฏิบัติเอง<ต>มมอมันไม่ได้ทาให้ฉลาดขึ้นอนะมันไม่ไทําให้เราเห็นเห็นตายรักเห็นอริยสัจหรอกคือคือถ้าทําไมปฏิบัติมันก็ไม่ได้อะไรเลยอ่ะถ้าหรอกใช่มันมันได้หรือว่าถ้าสำหรับสำหรับคนยังไม่ปฏิบัติก็อาจจะเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจให้คิดถึงว่าพุทธธรรมพระสงฆ์ ค่ะหลวงพอแต่ถ้าสมมติปฏิบัติได้แล้วเราก็จะรลลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าที่ว่ากว่าจะได้มาสอนเราแล้วก็ผลสุดท้ายเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะจะหนูจะระลึกแบบเนี้ยค่ะว่ากว่าจะได้อมันลําบากอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็จะระลึกส่วตรงนี้แล้วก็พยายามที่จะปฏิบัตินะค่ะหลวงพ่อาปฏิบัติบูชาในที่สุดถ้าได้ปฏิบัติบูชาแล้วก็ไม่ยังไงก็ไม่จําเป็นต่อไป ข้าหลังพ่อก็อยังคงปฏิบัติอยู่ค่ะหลวงพ่ อ, อโอเคสาธุ ข, ข, ข, ข, ขอบคุณค่ะสาธุค่ะคุณพู้ยรับเสมเบรร ย, ย่างเจ็ดครึ่งอยู่ปุ้ยเจ็ดคึ้นเจ็ดจุดห้าบ่นไม่ได้เะยปุ้ยหาปุ่มไม่เจอเลย หรืออ่านบิณเข้าอ่าพอได้แล้วนะมสการค่ะยังเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์เจห้าอยู่นะเจ็ห้ากลางวันแล้วก็แปดกลางคืนแปดตอนเวลานอนไหมไม่ใช่คะก่อนค่ะตอนเย็นทุกลมจะต้องสวดมนต์ค่ะแล้วก็ฟังพระอาจารย์บางทีบางวันอย่างเมื่อวานนี้ยมไม่รู้ว่ามันเป็นวันที่เอ่อวันหยุดโยมลืมไปว่าเป็นวันหยุดของเมืองไทย โยมก็ทำไมพระอาจารย์มาโยมก็โยมก็มาดูโยมมาสายด้วยไปฟังพระอาจารย์สายสายไปสิบห้านาทีค่ะเพราะโยมลืมไปว่ามันหยุดของเมืองไทยและพระอาจารย์จะต้องมาเทศนาบุติงแต่ว่าโยมก็ปฏิบัติทุกวันคือมันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ว่าเวลาโยมสวดมนต์เหมือนเหมือนคุณสมารีเธอพูดว่ามีพระธาตุเสด็จนะบ้านโยมมีพระธาตุและ โยมขี้เกียจไม่ได้พระอาจารย์คือโยมจะสวดต้องสวดมนต์ให้พระาธาตุโยมก็เหมือนอย่างที่น้องเขาบอกว่าเวลาเราสวดแล้วแบบเรารู้สึกมันเหมือนกินข้าวเหมือนอย่างที่พระอาจารย์พูดอะ่ะและเวลายมสวดแล้วก็เหมือนพระาธาตุเขาก็เราก็ปิดอย่างดีนะแต่เขาก็มามามาแบบม า, ม า, มาเป็นเต็มมันไม่ใช่แบบว่าเราอุปทานไปเองอะ่ะ<ม>เพราะเราปิดปิดอย่างดีนะฮะเพราะ ในโยมโยมก็เลยบอกว่าโยมขี้เกียจไม่ได้จะให้ขี้เกียจยังไงโยมลืมตอนสวดมนต์ตอนเช้าโยมก็ต้องสวดมนต์ตอนเย็นเกิดโยมก็นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาทุกวันค่ะถ้าจะให้ดีให้เงินมามันไม่ไม่ดีกว่าเ <laughs> นาะสวดมนต์แล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวโชคลาภมาะ <laughs> <laughs> แต่โยมทะาบว่าว่าถ้าโยมยังอยู่ในศีลในธรรมเนี่ย คือโยมอยู่อย่างสบายโยมโยมรอดได้และ<ม>และมันไม่ใช่ว่าความงกที่ว่าโยมจะต้องมาอยู่ในสินในธรรมเพราะว่ามันจะต้องมีเงินมีทองอะไรไม่ใช่แต่ว่ามันใจมันสบายค่ะตั้งแต่มาตามและใจมันสบายแล้วเราสงบแล้วเราไม่เห็นหลอกนรกหรืออะไรอะ่ะเมื่อมีคนมาเล่าให้โยมฟังว่าเฮ้ยเดินนั่งนั่งไปนั่งกรรมฐานที่วัดเจ็ดวันนะเออเ ห, นหนเห็นนู่นเห็นนี่เห็นไปนระกเห็ น, หนอะไรเงี้ยโยมไม่เห็นพระอา mm hmm. จารย์ โยมรู้สึกว่าตัวมันเบาๆใจมันสบายมันไม่อยากเจอผู้คนแล้วบอเราก็ไม่เหงาด้วยโยมก็รู้สึกมีความสุขตรงนี้แล้วและโยมก็ทํามาสองปีแล้วปีหน้าโยมก็จะทําโยมประเมินผลว่าปีเนี้โยมทําดีกับปีที่แล้วแล้วปีหน้าโยมก็จะทําดีขึ้นอีกค่ะดีมากดีมากสาธุโยมโยมไม่ไม่ประวชทีนะอาจารย์โยมเป็นคนดีมาก่โยมจะ นี้เพราะว่าโยมจะต้องช่วยเหลือวัดว า, ารามก่อนอค่ ะ, ค <น S 2> ะวันนีไม่ใกอ็อยู่ที่ศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมก็เป็นคนดีถ้าไม่มีศีลธรรมก็เป็นคนไม่ดีคนบาปโยมเชื่อคะ่ะโยมเป็นเหมือนอย่างที่คุณเอกเือเล่าให้พระอาจารย์ฟังนะคะเอ่อมีอาการปวดปวดบาปปวดไหล่นะคะเวลาโยมนั่งเนี่ยนะโยมจะเป็นและโยมก็ เหมือนกับทำเหมือนอย่างกับที่พระอาจารย์บอกอ่ะพุทโทพุดโทพุดโทพุทโทรโทเออโยมนึกขึ้นมาได้โยมก็พุโทโธรเอาไปตรงจุดที่มันปวดมันก็หายไปได้ช่วงหนึ่งนะแต่เวลาแบบว่าเหมือนอย่างเราเดินออกไปข้างนอกเดินกลับเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกเหมือนอะไรมันตามมาว่าขอขอขอเขอ้ามาค่ะมันเหมือนกับว่าโยมอุปท า, านตัวเองหรือเปล่าหรือจิตบุนบุงแต่งโยมจะมาถามพระอาจารย์ค่ะ ก็ดูเสีหาไม่ดูเสีมันมีจริงหรือเปล่าก็มันไม่มีอ่ะไม่มีก็มันไม่มีแล้วก็ปรุงแต่งไปเองจิตแล้วก็ปรุงแต่งก็เรียกอุปทานเอ๊ะผีมันเดินตามหรือเปล่าวะเพราะว่าไทยเขาจะพูดแบบผีมันชอบมาเกาะพออะไรอย่างเงี้ยอย่นี้โยมก็โยมก็เลยแบอุปทานนะิใช่ก็สวดมนต์สวดเอ่อขอขอบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอ่อช่วยพอส่วนมนต์จิตมันก็หยุดอุปทานเพราะมันต้องมาสวดมนต์ พอไม่ส่วดมันะมันก็มันก็ไปปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่มันถ้าวันไหนอะโยมสวดสายหรือว่าโยมสวดแบบเหมือนเหมือนกับว่าโยมลืมหรืออะไรเนี้ยมันจะเหมือนกับมี อ, อะไรมาเตือนโยมอะมันไม่ใช่เป็นเป็นกลิ่นที่แย่นะมันเป็นเหมือนกลิ่นทูปหรืออะไรกําลุกมันวิ่งมาชนจมูกตุ้มอย่างเงี้ยแหละโยมก็รู้เลยว่าเอ๊ะวันนี้เราลืมอะไรหรือเปล่าวะเออ อ๋อโยมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าจิตได้สำนึกมันจะเตือนเราพอเราเคยทำอัไรเป็นประจำมันจะถึงเวลามันก็จะมาเตือนเนาโยมก็เลยพูดขึ้นมาว่าโผล่เข้ามาโยมสวดมนต์สายไปเพราะโยมมัวอย่างเมื่อวานนี้โยมสวดมนต์ช้าไปหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าโยมจะมีเวลาของโยมเป๊ะเป๊ะตอนเย็นนะรว่าโยมจะต้องสวดนะหกโมงครึ่งนี่โยมจะต้องสวดมนต์แหละแล้วทีนี้โยมก็มานั่งฟังเทปพระจารนะมานั่งฟังอีกทีหนึ่ง พรว่ายมฟังสายยมก็มานเลงฟังเพยพระอาจารย์ทีนี้โยมก็ไปสวดมนต์สายที น, นี้มันมีเหมือนกลิ่นอะไรมาเตือนโยมยมก็ขอเข้ามานะสวดสายแล้วมันมารัก บ, บุญด้วยกันนะใครก็ไม่รู้แหละมา อ, อย่าไม่ต้องไม้เห็นหรอกเพร <laughs> าะยมเป็นคนกลัวผียมชอบสร้างทำบุญสร้างบุญสร้างบา ร, รมีนะพระอาจารย์แต่ว่าในจิตโยมอ่ะยังกลัวผีอยู่อือ <laughs> ฮ <ใน S 2> ะก<ม>ลัวทำมก็เป็นเราก็เป็นผีดีๆนี่ผียังที่ยังหายใจได้ ทำไ ม, มเราไม่กลัวผีตัวนี้อ่ะใช่โยมกลัวว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งคือโยมไม่กลัวตายนะพระอาจารย์โยมกลัวว่าโยมกลัวว่าถ้าเกิดโยมตายไปแล้วผีมันจะกลัวโยมบป่ะอะโยมยิ่งวะโยมโยมกำลังคิดอยู่นะแต่ว่าม ไ, มไม่มีหรอกผีไม่มีหรอกพุ่งแสงคิดกันไปเองะใช่ผมก็ว่าจิตโยมจริงมไม่หรอกพี่หลอกไม่จริงนะ ผีจริงก็คือดวงวิญญาณเขาก็ไปเกิดไปจุติไปเป็นเทวดาเป็นเปรตแล้วเดไปเป็นมนุษย์ตามบุญตามกรรมของเขาไอผีที่มันมาหลอกก็ไม่ใช่เป็นผีจริงหรอก อ, อุปทานกิมุ่งแต่งไว้เองโอเคนะมีอะไรไหมมีอะไรแล้วคะ่ะคือโยมลืมไปเดี๋ยวไปบอกกับผูาจารว่าโยมอะ อืมเมื่อเดือนที่แล้วอะโยมอะเกิดวันเกิดโยมแล้วโยมก็ลืมบอกเรียนพระอาจารย์ไปค่ะเออโยมลืมเกิดโยมอะเมื่อเดือนที่แล้วอืมไม่เป็นไรหรอกเกิดเกิดแล้วก็ตายเช่อย่างนี้ก็แล้วกันทุกครั้งที่เรานึกถึงวันเกิดก็วันเกิดนี่มันเป็นวันที่พาให้เรามาตายยิ่งค่ะยิ่ะถ้าไม่เกิดเราก็จะได้ไม่ตายใช่โยมก็งั้นอย่าไปฉลองวันเกิดเลยฉลองวันไม่เกิดดีกว่าจะได้ไม่ตาย ยมไม่อยากฉลองวันเกิดแล้ะยมรู้สึกว่ามันมันก็อย่างนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับทุกวันเน่ะเมื่อก่อนเราตื่นเต้นแต่เดี๋ยวนี้เรารู้สึกมันความตื่นเต้นมันหายไปแล้วอ่ะมันมนรู้สึกอดูความจริงแล้วมันไม่ยินดีกับวันเกิดวันเกิดเป็นวันวันที่จะพาให้เรามาตายกันจริงค่ะเพราะว่าโยมก็เตรียมตัวทุกวันว่าถ้าวันที่เราจะไปโยมก็พร้อมที่จะไปแต่ว่าขอโยมได้สร้างบุญสร้างบารมีอีมนิดหนึ่งอ่าฮะให้ได้สร้าง ทำไม้ห้องมากอตอนนี้มีเท่าไหร่เทไปให้หมดไปเพราะไม่รู้รอาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้จริงอันนี้<ำ>เรื่องจริงเลยค่ะโยมก็เ ง, นงินส่วนไหที่เราไม่ต้องเก็บไว้ใช้เองก็เอาไปทําบุญให้หมดเลยจะได้จะได้จะได้ไม่ต้องกังวลถ้าเกิดพรุ่งนี้ตายก็ไม่เป็นไร <c oughs> เพราะเราได้ทําเต็มที่แล้วจริงค่ะเพราะโยมคิดว่าไม่อยากเกิดนะ้เบือ่อมนุษย์มันมันมีแค่นี้มันมีแต่ความต้องการมันมีแต่ความไม่รู้จักพอ ไมนมีต่ขี้เท่าอ่ะมันมีต่ขี้เท่าอ่ะอันนั้นเราก็มีแค่ขี้เท่านะอฮะโยมโยมก็จะมาเอาน้ํานําบุญมาถวายพระจานทร์แล้วก็โยมตั้งจิตอธิษฐานว่าเอาจะปีนี้บุญถ ว, วายไม่ได้แล้วถวายของบุญอันวายโยมโยมก็เอถวายบุญไม่ได้หรอบุญ <ยม S 2> บุญนี่เป็นสิ่งที่เราทําของเราเอง เอาไปให้คนอื่นไม่ได้นอกจากดวงวิญญาณก็แบ่งไปได้แต่บุญของโยม บ, บุญมาถวายพระไม่ได้หรอกถ้าอยากถวายพระต้องไปใส่บาตรซื้อข้าวไปใส่บาตรไม่ใช่ว่าเวลาพระมาบิณฑบาต่าขอใส่บุญได้ไหมไม่ได้หรอกพระไม่ได้มาบิณฑบาตขอบุญพระมาบิณฑบาตขอข้าวอืพระตัวเป็นๆมาตั้งงานแล้วแต่โยมใส่บาตรกับพระพุทธเจ้าค่ะนั่นแหละใส่ไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มาบิณฑบาต อืมท่านอาจารย์โยมโยมตั้งจิตอธิษฐานแล้วว่าโยมอ่ะจะเดินทางธรรมไปตลอดเลยได้สาธุอมุทนาขอกเุนะอาจารย์เป็นกำลังใจให้โยมด้วยนะได้จะขอให้เป็นไปตามที่ปรารถนานได้ทุกสิ่งทุกประการเชอญสาธุพระอาจารย์จะขอให้พระญาตขันแข็งแรงนะคะอย่าอย่าส่งบุญมานะจ้นะอย่า <laughs> โ okay. อเคคุณทันนี่แบงค์ค่ะ ก, การนมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้หนูมีคําถามค่ะพอดีได้ไปดูหนังเรื่องหนึ่งเขาในหนังเขาตั้งคําถามว่าหน้าที่ของพระสงฆ์คืออะไรแต่ว่าจนจบ ก, ก็นหนังก็ไม่ได้ตอบคําถามนี้ค่ะหนูก็เลยขออนุญาตมาถามพระอาจารย์ค่ะว่าว หน้าที่ที่แท้จริงของพระสงฆ์คืออะไรมีอยู่สี่ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปริยัติศึกษาแล้วก็นำออกไปปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติไปจนบรรลุเรียกว่าปฏิเวทบรรลุมรรคผลนิพพานพอบรรลุเป็นพระสัพพหันแล้วก็ไปทำหน้าที่เผยแผ่สั่งสอนเป็นครูบาอาจารย์ต่อไป ชัดเจนช่ัดเจนไหมชัดเจนมากค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะเป็นชาวพุทธมาต้องกานยังไม่รู้หน้าที่ของพระสงฆ์มีอะไรบ้างไหมเพ ร, เพ ร, เ, พรเพราะเพระพระสงฆ์ไม่ทําหน้าที่ของท่านใช่ไหมมามาแต่มาสร้างบสถสร้างเจดีย์สร้า ง, JD, รางพระอันนี้ก็เห็นคลิปมีมีมีอะไรมีมีมีอะไรลงเนี้ยลงสัตว์ยันหรือลงนะาอะไรข้าหนึ่ มีมาเรื่อยๆเลยค่ะพรอาจาย า, าน้ำมนต์อาบ<ม>น้ำนอะไรเงี้ยนี่ไม่ใช่หน้าทีของพระท่านหน่อยใช่ค่ะจริงๆหนูก็ตอนแรกหนูก็คิดว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็แล้วก็ตามที่พระอาจารย์บอกค่ะแต่ว่าพระสงฆ์ยุคนี้หลายหลายท่านก็อาจจะลืมไปบ้าง เพราะไม่ศึกษาไงพราะไม่ศึกษาไม่เรียนก็เลยไม่รู้หน้าที่แม้แต่ในแม้แต่ในหนังก็พระสงฆ์ที่แสดงในหนังก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนตามแนวทางนี้คือท่านตั้งใจเผยแพร่ศา ส, สนาแต่ว่าเหมือนท่านข้ามขั้นตอนอไปเผยแพร่เลยนะหนูหรูหห้ไปเรียนมหาลัยยังไม่จบแล้วไปเป็นอาจารย์ได้มาใช่ค่ะก็เลยเกิดการล้มเหลวขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะท่านในหนังนะคะ สอนผิดพลาไดไปหมดสอนผิดส้อนถูกไปคนมาศึกษาก็เลยเห็นผิดเห็นถูกไปใช่ค่ะก็สอนเงินไปแล้วก็มาถกเถียงกันใช่แล้วก็ยิ่งทำให้เสื่อมศรัทธาไปอก็ให้ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ท่านก็เป็นนักศึกษาก่อนท่านก็บวชเรียนบวชเรียนนะ พ อ, อท่านบรรลุแล้วท่านบทชเี้นแ้วท่านก็นไปปฏิบัติปฏิบัติพอท่านบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านถึงกล้ามาเผยแผ่สั่สอนเป็นาศาสด า, าต่อไปต<ผ>อนี้ยังไม่บรรลุนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยไปสั่งสอนใครเป็นอาจจะสอนบ้างเป็นเป็นแค่เป็นใครมาถามแล้วก็อาจจะสอนแต่ไม่ถือเป็นเป็นงานหลักท่านยังถืองานงานศึกษางานปฏิบัติให้หลวงพ้นเป็นงานหลักของท่านอยู่ แต่พอานหลุดเพราะเราเป็นลูกพระเจ้าเาที่นี่ท่านสอนได้ทั้งวันทั้งคืนเลยวันท่งสอนนะห้าสี่รอบเนี่ยตอนบ่ายสอนสอนญาณโยมตอนค่ำสอนภิกษุภิกษุณีตอนดึกสอนเทวดาตอนเช้าก่อนจะเสด็จ<ม>ออกบินตบาทก็เร่งงานเลยว่าวันนี้จะไปสอนไทยเป็นกรณีพิเศษเนี่ยนะนี่คือพุทธกิจของพระเจ้ามีห้าข้อด้วยกันข้อที่ห้าคือบินตบบาทโปรดสั่ง เป็นกิจที่ผู้เจ้าทำประจําทุกวันค่ะพระอาจารย์เข้าใจแล้วค่ะระอาจารย์โอเคนะค่ะสอบพระคุณค่ะไม่ไปเจอใครยังไม่ไปเจอมไม่ไปสวดไม่ไปสวดไปเปล่าให้กับใครไม่ไปปราผมน้ํามนต์อะไให้กับใครไม่มีอยู่ในพุทธกิจนะพุทธกิจมีแต่สั่งสอนธรรมะแล้วก็โปรดสัดด้วยการเป็นธรรมะนะีย อาสมัย น, นี่การไม่ทําตามบางอย่างบินนบายก็ไม่บินเราให้ญาติโยมฮิ้วบินฑ์โตเข้าวัดดีกว่าสบายกว่าไม่ต้องไปเดินให้เหน็ดให้เหนืน่อยมาฮิ้วบินฑ์โตเข้าวัดเสร็จก็ปะพรมน้ำมนต์ให้หน่อยก็เสร็จญาติโยมก็ดีใจได้น้ำมนต์กลับบ้านจบไปไม่ถึงไหนทีอาจารย์น่าเสียดายค่ะอโอเคนะเดี๋ยวพูดหน้านนี้จดนโจมี <c oughs> จะโดนแบนรายการนี่เลยที่ถูกถูกแบนได้ขอบคุณค่ะอาจารย์โอเคสาธุอ่าคุณแนนจากคุดอนธานีน้ำค่ะธรรมศาสตร์ทัพัฒอาจารย์รูปไม่มีคําถามปะคะอ่าดีใจมากที่ไม่มีคําถามไม้องเล่นตอบ่ามเธอแล้วล่ะค่ะโอเคสาธุขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณจิ้ม เข้ามาแล้วคุณจีปัติเท่าไม่ได้เข้าม า, า ท, ที่แล้วไปไหนเนี่ยส่งรูปไปไหนงานวัฒการค่ะพระอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วเหรอคะอมยมจําไม่ได้ดสติไม่มีเป็น <c oughs> ฟังฟง<อ>ิลิปนธรให้มาบอกว่า อ, าอาจะเข้า<ช>มา<ช>่มอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วพรเอิญว่าไปส่งรูปพอดีรูปปัดเวลาเขาเขาไม่ได้เรียนคาบหนึ่งคาบสองคือเขาตอนตอนแรกเขาเรียนคาบหนึ่งคาบสองวิชาชีวะอะคา่ะ แล้วเขาก็ปรับเขาไม่เขาบอกเขาเล่นไม่ไหวแล้วเพราะมันเป็นมันเป็นชีวะแบบที่ของระดับมหาวิทยาลัยอ่ะค่ะค่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วเขาก็เลยขอด r o p อันนั้นโยมก็เลยแบบแล้วแต่แม่ก็ไม่ได้เป็นคนเรียนเนาะถ้าคิดว่าไม่ไหวแล้วมันมันจะกระทบกับพอเขาอยู่แค่มอปลายใช่มันจะคระทบไปของเขามันกระทบสุขภาพใจเขาก็ทบสุขภาพร่างกายเขาเขาเครียดเขา โหดหูอะไรอย่างเงี้ยยุ้ก็อ่ะแล้วแต่เลยไม่ไม่เรียนก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมันมันไม่ได้รีควายสําหรับมหาอ่ามอปลายไงคะ <c oughs> ก็เลยบอกว่าโอเคจะจ ะ, จะจะจะไม่ไม่เรียนก็ไม่เรียนก็เลยแบบปรับแล้วก็ต้องไปทําเอาลูกคนเล็กไปส่วงวิ่งลอกแล้วค่ะเอารูกคนเล็กไปส่งก่อนก็กลับมารับรูกคนโตก็เลยบอกเฮ้ยบอกสลินทอนเข้าไม่ทานแล้วเพราะว่ามันนึกได้ที่ว่าอุ้ย มันจะแบบว่าจะสี่ทุ่มแล้วก็เลยแบบโอเคกันเลยดีกว่าฝากฝากอ่าสลินทอนไปเลยค่ะมันก็เนี้ยค่ะพระอาจารย์เหมือนน้องวันที่บอกว่าคนในอยากออกอะไรนะคะเด็กพี่เขาบอกว่าหญ้าอีกฝั่งหนึ่งมันจะเขียวกว่าหญ้าฝั่งเราอาจารย์ใช่ไหมใช่มันก็คืออย่างนี้ะค่ะคนไม่อยากมีลูกก็อยากนีอยากมีคนมีลูกก็แบบเมื่อไหร่จะโตนาะใช่ค่ะเมื่อไหร่จะรับผิดชอบตัวเองได้นาออ่า มัน ก, มนก็มันก็มันมันก็มีทั้งทุกข์ทั้งสุขอะคะ่ะแล้วเมื่อวันนั้นโยมดูหนังเรื่องหนึ่งกับลูกชายมันเป็นมันน่ากลัวมันเหมือนสะท้อนสังคมปัจจุบันเหมือนมันมันเอาเอไอมาเป็นคนสร้างขึ้เป็นคนเลยนะคะแต่เป็นเอไอเป็นแบบหุ่นยนต์นะคะแล้วก็ให้มาเป็นพี่เลี้ยงเด็กมาอะไรแบบเนี้แล้วโยมก็เลยแบบว่าโอหแบบ อ, อีกหน่อยคนไม่ต้องทําอะไรกันแล้วโนแบบให้เอไอทำแล้วก็แม้แต่เลี้ยงลูกก็ให้เอไอเลี้ยง แล้วเอมันก็เหมือนกับว่ามันมันเขาเหมือนกับว่าหุ่นยนต์มันเขาเอามือจับที่หัวใจใช่ไหมคะอาจารย์ mm hmm. แล้วเขาก็รู้สึกได้ว่าเออหัวใจของมนุษย์คนนี้เจ้านายเขาอะค่ะมันเต้นแบบนี้นี้ถ้าเวลาเครียดหัวใจจะเต้นแบบนี้เขาเลยคิดว่าเขาก็เลยประมวลผลว่าเออเจ้านายไม่เคยมีความสุขเลยกับครอบครัวกับลูกๆของเขาเอาเลยเอา เขาเลยเอาลูกของเจ้านายอะค่ะไปแช่น้ําจะให้จมน้นําในอาบน้ําเพราะบอกว่ามันคือโยเบอร์เด้นนะมันคือภาระของย mm ู hmm. ไม่เห็นไม่มีหัวใจของความเต้นความสุขเลยอะไรอย่างเงี้ mm hmm. ยยมก็เลยมองเลยเ อ, อือจริงเนาะสังเกตคนมีลูกแบบมันจะแบบสุขก็สุกแต่แบบมันจะแบบกังวลมันจะแบบเหนื่อยไม่มีเวลานอนไม่มีเวลาดูแลตัวเองอะไรย่างเงี้ยค่ะยมก็เลยเออเข้าใจเข้าใจมันก็มันก็เลยเป็นธรรมชาติก็เลยมองไป แต่มองพยายามให้มองเป็นตจรักว่าพระอาจารย์สอน mm hmm. ในเมื่อเราเกิดคำว่ า, าแล้วเราก็เออแล้วไปชอบไปค่ะก็โยมก็พยายามนาั่งนั่งมองลงหายใจค่ะพระอาจารย์บางทีก็มองได้บางทีก็จับไม่ได้แต่ถ้าแบบสมาธิบางทีก็แบบใช้วิธีการแบบเหมือนนอนๆอนแล้วก็หลับให้มันนอ น, น, อนก่อนนอนเพราะบางทีกว่าลูกจะนอนกว่าจะทําอะไรเสร็จไม่ไม่ทันได้นั่งบ้างต้องขอสารภาพผิดกับพระอาจารย์ ก็เลยรู้สึกว่าเออเราตั้งใจใหม่ดีกว่าให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์สุขภาพโอเคนะคะโอเคโอเคไม่มีปัญหาเลยค่ะพระอาจารย์มีอะไรจะให้ขอคิดโย่มไหมคะให้าทาให้ดีที่สุดเลี้ยงดูให้ดีที่สุดด้วยความเมตตาเลี้ยงอาบุญไปอย่าไปหวังอะไรผลผลตอบแทนก็แล้วกันอย่าไปหวังว่าเราแก่แล้วก็จะมาเลี้ยงเราเพราถ้าเขาไปเลี้ยงเราเราเราจะผิดหวังเราจะเสียใจ ใช่ค่ะมันคือมันจริงๆค่ะแล้วถ้าเราไม่อยากเราไม่หวังมันก็จะทุกข์น้อยจริงๆค่ะเรองตนวเองดิค่ะเก็บเองมไม่ต้องไม่ใช้เองก็พอไม่ต้องไปรอใลูกมาเรียกเราหรอกใช่ค่ ะ, คะก็อย่างเมื่อกี้เขาก็มากอดยมนะคะก็บอกว่าแม่เขาลืมไปว่าเขาวันนี้เขามีสอบเขาลืมไปว่าเขาไม่ได้ศึกษาหนึ่งยูนิตมันต้องใช้สอบวันนี้เขาขอแบบมาไปโรงเรียนได้ไหมยมก็แบบอ๋อ ความโมโหขึ้นมาเลยพระอาจารย์ไหนบอกว่าจะไม่เรียนวิชาหนึ่งสองแล้วแล้วจะได้มีเวลาสอบวิชาอื่นอ่านวิชาอื่นแล้วก็ยังลืมอีกโยมกับแบบไม่รู้จะวางใจตรงไหนแล้วพระอาจารย์พระอาจารหัวมันบุ่กรรมมันเป็นของของเขาไปเรียนติดีไม่ดีก็เรื่องของเขาไปอ่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ไม่รู้จะลงมาแ่บอาจารย์ประกาศพระอาจารย์หน่อยไหม บังคับก็ได้กับบงครับบังครั้ไเดี๋ยวนะคะพระอาจารย์เดี๋ยวดีลูกชมมาไม่ได้ไม่ได้ใจพรอาจารย์จะได้ยินเสียงคุณผู้ผู้ชายเนี่ยค่ะผู้ชายค่ะสวัสดีค่อายุเท่าไหร่นะครับสิบสิบเจ็ค่ะสิบเจ็ดครับสิลเหรอชีเนียดนี้เนียแล้วค่ะพระอาจารย์เนี่ยค่ะมันลุเร้าเหลือเกินพยายามสู้นะต้องตั้งใจเดีย ยากลำบากอย่าต้องสู้ถ้าสู้แล้วเราก็จะชนะเราก็จะผ่านไปได้ผ่านได้ไหมถ้าเรายอมแพ้มันก็ไม่ผ่านนะแต่ don't give up you need to fight fight your s e l f นั่นแหละ fight your own s e l f โอเค good luck to you ยกคือไว้สิ่ลูกค้าเดี๋ยวปวดหัว เราตามบุญตามกรรมอ่ะเรามีหน้าที่สก็สอนไปสวยกว็ะจะทําได้ไม่ได้ก็ปเป็นเรื่องของเขาไปค่ะเดี๋ยวถ้าได้ไปเมืองไทยปีหน้ายมจะเอาพรอาจารย์ไปให้พระอาจารย์แบบว่าแบบว่าเอาอะไรเอาอะไรเข็กระโหลกนะ <c oughs> แล้ว <c oughs> เราเปนเราเป็นอาจารย์เขาเราเป็นต้องไป็นคนแจกกระโหลกเขาเองค่อยเคี้ยวเข็นเข้าไปไม่ได้พระอาจารย์ถ้าเราทํานะคะ่ะที่นี่ก็จะบอกว่าอุ้ยต้องใช่อบิวส์แล้วต้อง อ๋อไม่ไหมอย่าอย่าไปทำแบบให้ไปแตะต้องเนี้ต้องตัวก็เที่ยวเข็นแบบใช้วาจาใช้อุบายวิธีต่างๆอาจจะลดค่าขนมลงหรือออะไรนี่ไหมเป็นมาตรการกระตุ้นให้เขามีความตั้งใจเรียนมากขึ้นใช่ค่ะมันเด็กสมัยนี้เลี้ยงยากค่ะอาจารย์เวลาเราพูดมากก็จะแบบว่าเอ้ยเป็น depressed เป็นแบบขี้บ่นใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยแบบ ต้องต้องเหมือนกับว่าเป็นเป็นแชปเตอร์ใหม่ของการเลี้ยงลูกซึ่งมันต่างกับสมัยที่เราโตขึ้นมาไ ง, ไงคะ่ะ อ, อาจารย์มันต้องปรับไปตามเหตุการณ์นะใช่ค่ะพระอาจารย์ค่ะตามสมัยมันไม่มีอะไรจีรังเลยจริงๆค่ะตําราเอ็ ม, ม, อมพอมาเจอเด็กแต่ละคนรุ่นใหม่ๆมันก็ใช้ไม่ค่อยเหมือนกันค่ะค่ะไม่มีอะไรอย่าไปทุกอย่าไปเครียดกับเขาแล้วกันไม่เกิดประโยู่อะไร จึงหาอาจารย์สาธุขอ บ, รบพระคุณที่เตือนสติค่ะยมจะทํานะคะ่ทุกทุกเคสพออยากให้เขาเป็นไปตามที่เราบอกที่เราต้องการากพอไม่เป็น<ม>พอก็ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการก็เครียดขึ้นมาใช่แค่กังวลว่าเขาจะดูแลตัวเองได้ไหมถ้าเราถ้าเขาไม่มีเราแค่เนี่ยเองค่ะก็ไม่ดูแลไม่ได้ก็ตายเท่าั้นนะจ ะ, จะไปกังวลทำไม อยู่แลได้ก็ตายดูแลไม่ได้ก็ตายตายช้าตายเร็ว น, นั่นเองใช่มันก็จริงจริงแล้วแล้วจะไปกังวลกับอะไรก็แค่แบบว่ามันทุกเราทุกมาแล้วไงคะเราก็แบบไม่ใหญ่เพรเรามาเรามองไม่เห็นความจริงเราไม่มองความจริงว่าในที่สุดมันก็ตายเลี้ยงให้ดีขนาดไหนฉลาดขนาดไหนเก่งขนาดไหนรวยขนาดไหนถึงเวลามันก็ตาย จริงค่ะจริงจริ่ะจริงค่ ะ, คะ<ช>มีมีข่าวที่เด็กจบฮาร์วาร์ดอ่ะใช่ใชจริงซีอีโอของบริษัทประกันอะเนี่ย<ช>ค่ะใช่พ่ออย่าไปกังวลกับชีวิตของของแต่ละคนนะในที่สุดมันก็จบที่ความตายด้วยกันทั้งนั้นเอาตัวเองก่อนดีกว่าก่อนจะตายทำ ใ, <ช>ใช่ไหมคะเราอยู่ของเราให้มีความสุขก็พอไม่ไปต้องไม่ไปทุกข์ไไปเครียดกับใครก็แล้วกัน ค่ะจะสาธุค่ะอาจารย์ขอให้ปัญญาเกิดกับยมให้มาสาธุสาธุค่ะอัาหลังแม้ไม่แรงครับไปนี้เอเอต่ออยู่คนละภาคเลยคุณนิสาค่ะน้องขับในมัสการค่ะพอาจารย์เหมือนเดิมไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะก็ ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติพยายามปฏิบัติไม่ลดน้อยค่ะมาฟังธรรมไปก็แล้วกันนะค่ะอาจารย์ค่ะปล่อยพระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงค่ะอ่าธุคุณยินดีมีอะไรไหมไม่มีเหมือนกันมาเช้าที่สายบานมาเช้ายังไม่มานเลยเมื่อวานค่ะพระอาจารย์ ด้วยความที่ว่าบอกว่าเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าแล้วเมื่อวานหนูก็ว่าอืจะเข้าดีหรือไม่เข้าดีในกลุ่มภาษาอังกฤษอะคะ่ะลูกก็เห็นว่ามีคนเยอะแล้วเดี๋ยวจะเกรงใจอันนี้ท่านอาจารย์นะคะเวลาลูกก็เลยฟังข้างนอกนะคะ่ะก็เลยไม่ได้เข้าไปกราบท่านอาจารย์ข้างในอะคะ่ะไม่ไหมถึงตอนบินตบาดตอนเช้าใช่ค่ะคือมันคือเช้าเมื่อวา น, นะคะ่ะใช่ เช้าเมื่อวานเราไม่ได้ไม่ได้ห้องซูมเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในห้องซูมเราบินตะบานใช่ค่ะเพราะอาจารย์บอกเดี๋ยวเจอกันเออ่พรุ่งนี้เช้าหนูก็เลยเรามาถึงวันนี้เรามาถึงวันนี้ค่ะแต่มันคือเมื่อวานมันคือเมื่อวานค่ะอาจารย์ก็เลยหนูก็เลยโอ้ไม่ไม่หนูก็เลยไม่ได้เข้าก็เก่งใจเวลาคนอื่นเขาหนูก็เลยหนูก็ไม่ก็ไม่เคยเข้าไหนห้องห้องจิตี้ไม่เคยเข้า เคยค่ะแต่ด้วยความที่ว่าถ้าอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ช้าหนูก็เลยจะอ๋อ<น>พรุ่งนี้ครเพราเพราพราะวัน น, น, น, นี้มันเป็นวันวันอังคารวันนี้เราพูดแต่วันวันพุธค่ะถ้าอาจารย์หนูก็เลยไอ้นี่หนูก็เลยฟังแต่ฟังข้างนอกเอาค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปแก้เวลาหนูพรายังไงเพราวันพุธหนูก็จะเข้าอยู่แล้วค่ะออเพราะเราไม่เคยชวนให้เข้าห้องน้าทั้งไหนคนไม่คิดเอาเองค่ะก็เลยกลัวแบบด้วยความที่บอกว่า พอจารม์บอเดี๋ยวเจอมุ้งนี้เช้าหนูก็เลยแบบก็เจอก็เจ้ห้องนี้ไงพรุ่นี้เช้าวัตอนเย็นเช้าไม่ใช่ตอนเย็นคณเช้าเปล่าเช้าค่ะแต่แต่วันที่เราเจอที่เจอการอาจารย์บอกพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมคะแต่พรุ่งนี้เช้าของหนูก็คือมันกวันนี้ก็วันนี้ไงพรุ่นี้เช้าโอ้โหมันคือเมื่อวานเนี่ยนะอาจารย์อ่าเมื่อวันเมื่อวันนี้ก็เป็นเมื่อวานเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันนี้เลยเมื่อวานนี้เป็นวันนี้ได้ไงวะอะไรเราพูดต้องงง ไม่เป็นไรค่ะท่านอาจารย์ค่ะวันนี้ค่ะท่านอาจารย์ท่าอาจารย์โอเคไม่มีอะไรค่ะท่านอาจารย์ไม่มีปัญหาค่ะเอ่อหนูลูกก็เข้ามาเหมือนเดิมแล้วก็เดวิดฝังเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ก่อนบอลซองเต้มาเหมือนเดิมนะโอเคก่อนที่จะไปทํางานก็อย่าลืมบอกอาจารย์นะอย่าปาักกะอาจารย์นะบอลซองเต้ให้ท่านอาจารย์ด้วยนะ อาจารย์มององเต้นนี่เป็นเป็นยี่ห้อกาแฟเปล่าหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ารอาจารย์ถ้ามองถ้าจะยี่ห้อกาแฟคือบอนกาเฟ่ค่ะอหรือว่าผ้าแข็งแรงค่ับอาจารย์อาจารย์ถ <bağ> <yeah> ือ <card> ย <affect> <istas> ่าโยนไปนานครับอาจารย์คุณิษย์อ่าที่ว่านมัสการอย่าพลาดอาจารย์ เป็นยังไงอ่าก็สบายดีค่ะอาจารย์ยอมยมจะรายงานอาจารย์คือโยมพิมพ์หนังสือโยมกับยาติธรรมค่ะพิมพ์หนังสือสมาธิภาวนาของหลวงตามหาบัวค่ะอาจารย์เรื่องของวิธีปฏิบัติข้อพึงระวังที่หลวงตาฝากไว้ค่ะแล้วก็หนังสือจะส่งไปถวายพระอาจารย์หนึ่งพันเล่มนะคะใช่สาธุาคะก็ยมพิมพ์ทั้งหมด หนึ่งพันสาร้อยเล่มขายสองร้อยเล่มจะส่งไปที่อุดรค่ะแล้วอีกหนึ่งร้อยเล่มก็จะกลับมาที่นราธิวาสค่ะแจกใจ่ายให้กับคุณที่สนใจคือโยมไปเจอหนังสือเล่มนี้บนเรือนภาวนาที่เจ็ดค่ะอาจารย์แล้วก็พออ่านจะได้คำตอบแล้วก็ปัญหาที่เจอโยมก็เลยรู้สึกว่าทำไมเราไม่พิมพ์แจกที่แรกจริงๆก่ะว่าจะยืมมาเพื่อจะถ่ายเอกสารแล้วก็ส่งคืน แต่ถ้าหากว่าโยมพิมพ์แล้วก็จะไปอยู่ทุกเรือนทุกคนที่ขึ้นไปภาวนาก็จะได้อ่านอาจารย์นี่ีสาธเตาโยมโยมไปเจอตรงที่ว่าหลวงตาพูดว่าเมื่อเราภาวนากําหนดลมไว้ใช่ไหมคะอะแล้วทีนี้พอเรานั่งไปเนี่ยลมมันอาจจะลงไปต่ําไปสูงเราอย่าไปสนใจมันซึ่งโยมเจอมันเนี่ะอาจารย์ว่าบางทีเราดูลมไปเนี่ยเออบางทีมันลงไปต่ําบางทีไปตรงอื่นแล้วเราต้องบางทีโยมก็ใช้วิธี จิปลายจมูกให้มันเจ็บจะได้อยู่ที่เดิมแต่พอมาอ่านของดวงตาดวงตาก็ไม่อยากไปสนใจมันให้ตั้งอยู่ตรงนั้นโอ้มันคือคําตอบค่ะอาจารย์ได้ดีมากค่ะอาจารย์โยมก็เลยคิดว่าถ้าคนอื่นได้อ่านก็จะได้เป็นแนวทางของเขาสําหรับคนที่เพิ่งปฏิปบัตริรู้ว่าเจอปัญหานะคะอาจารย์อดีมากเป็นธรรมทานการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงค่ ะ, ะแล้วโยมก็ ดีใจนะคะที่ว่าหนังสือจะไปถึงพผู้จารย์ประมาณวันพรุ่งนี้หรือไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ค่ะแต่โยมก็ต้องขอบคุณขอบเอ่ยนามนะคะขอบคุณคุณหลาที่ทําให้การพิมพ์หนังสือนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดีแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ของจะมัจะตี้ที่ช่วยหาแนวร่วมในการหางบประมาณค่ะอาจารย์นี่จ้ะอ่าค่ะแล้วก็โยมจะไปขึ้นเขาวันที่สิบสี่นี้ค่ะอาจารย์แล้วก็ วันที่สิบเจ็ดเป็นวันเกิดโยมโยมตั้งใจจะไปปฏิบัติในวันเกิดของโยมเองค่ะอาจารย์ปฏิบัติเพื่ไม่ให้เกิดนะแต่ทุกค่ะอาจารย์โยมอยากได้คำนี้มากเลยค่ะโยมจะพยายามตั้งใจค่ะแล้วก็โยมช่วงนี้โยมเจอบททดสอบนะคะอาจารย์ป่วยตั้งแต่ปวดท้องคราวนั้นแล้วก็มันก็มาเจออีกคือคราวนี้โยมมาเป็นสอบผ่านนะตอนนี้ยังปวดอยู่ค่ะอาจารย์แต่ว่าโยมไม่ทุกข์กับมันอ่าโยมั่นเลย แต่ทุกค่ ะ, ะแต่ว่าแต่ว่าร่างกายมันเพลียนะคะจันเพลียก็เพลียไปยแต่ใจเราอย่าไปเพลียกับมันใช่ใช่ยมก็ดูนั่งนั่งละห้อยนั่งตัวเล็กสงสารร่างกายนี้จังไม่ไหวมันเพลียะคะ่ะแต่ว่าก็ไม่มไม่ได้ทุกข์กับเขาไม่ได้อยากให้เขาหายก็ปล่อยไปได้เรื่อยค่ะแล้วก็ยังไม่ออกสี่แปดนะคะจารย์ยังคงรักษาไว้เหนียวแน่นทานแค่ข้าวต้มถ้วยเล็กๆค่ะจันเพราะว่าหมอให้ให้กินอาหารอ่อนๆ ก็คิดว่าจะอยู่ได้ไหมแล้วจะออกไหมไม่เอาก็ลองดูก็ได้ค่ะจันก็ผ่านอยู่ค่ะก็กจะพยายามรักษาต่อไปค่ะโอเคโมธนาสาธุสาธุาธคะ่ะพระอาจารย์อ่ะคุณวิายพรโยมหยินชวนแสงธรรมกับ <g aff> สาธุคะ่ะพระอาจารย์คะ่คะ ก็หายไปสองอาทิตย์เจ้าค่ะพอดีต้อนรับลูกค้าแล้วก็ดึกอะค่ะพระอาจารย์นนก็เลยไม่ได้เข้ามากราบพระอาจารย์แต่วันนี้ดีใจมากค่ะได้เข้ามากราบพระอาจารย์ต้องแบบนั่งทุ่ทั่ววันพุธวันพุธคอยคอยตองคอยหาแต่วันพุธเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์คะโยมขอถามนิดนึงอะค่ะโยมเคยปฏิบัติครั้งแรกของการปฏิบัติภาวนาในการเดินสายเนี่ยค่ะ โยมภาวนาแล้วเหมือนกับว่าเราเราดูลมแล้วพอเราเราดูลมสักพักหนึ่งจิตเราสงบรวมเราก็มารับรู้ว่าการเจ็บที่ที่ขาแบบแบบมากมายโยมก็มองความเจ็บแล้วระหว่างที่เรามองความเจ็บสักพักนึ่งนะคะพระอาจารย์ก็เหมือนกับมันมีลมมาปะทะหน้าแล้วเราก็มาจับความรู้สึกที่ลมลว่าผมมันปิวทุกอย่างมันปิวไปหมดสักพักแล้วก็ได้ได้รับรู้ว่าลมอ่ะเข้าหูดังฟู่ฟูแล้วสักพักเราก็รับรู้ว่ากลิ่นดินนะคะพระอาจารย์แบบกลิ่นของไอดินมัน เข้ามาจะหมูกสักพักคุณผูมรู้สึกสว่าโอ้มันเยน็นมันมีความสุขมันแบบแล้วทุกอย่างมันก็ดับไปหมดลแล้วเพราะฉะนั้นเราอยู่ความสุขซึ่งมันแบบคือเราไม่เคยสุขอย่างนี้คือเราเย็นสบายแล้วมันมีความรู้สึกว่าเหมือนฝนมันจะตกเราก็มีรู้สึกว่าจะตกก็ตกไปเลยเพราะมันสบายมากเราไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้เลยมันสบายเรา คือเราอยู่กับความสบายความเย็นความอัศจรรย์ยงั้นนะคะพระอาจารย์แบบพักใหญ่เลยแล้วทุกอย่างมันก็เงียบหวดแล้วแล้วลวันนั้นเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติภาวนาเจ็ดวันซึ่งเราต้องออกอรมมฐานโยมก็มีสติรับดึงสติกลับมาว่าอ่เราเราเราจะต้องกลับมาแล้วเพราะถึงไม่พ่อยถึงอะ่ะเงียบสงบปดแล้วพรไม่รู้ว่าคนรอบข้างหรือว่าอะไร อ, ะอ่ะเสร็จหรือยังะคะ่ะพอโยมลืมตามาโยมก็ทุกอย่างเอา เขาหายกันไปหมดเลยพระอาจารย์เหนือเราคนเดียวแล้วก็มีมีน้องที่นั่งอยู่ข้างหลังนะคะพระอาจารย์เหมือนกับว่าพี่เลี้ยงบอกว่าให้ให้เฝ้าโยมเอาไว้เพราะโยมนิ่งเงียบอยู่คนเดียวอะคะ่ะแล้วโยมก็รับรู้ถึงว่าแล้วพอโยมออกจากสมาธิโยมตัวเบามากพระอาจารย์เดินเบาแบบเบาตัวเราลอยเเบาแต่มันเบาได้แค่สักระยะหนึ่งแล้วเราก็กลับมาเป็นปกติอันนี้มันคืออาการที่พระอาจารย์บอกว่ามันสงบเย็นสบายมหัศจรรย์ มันมันใช่อาการแบบนี้ไหมคะแต่จากวันนั้นถึงวันนี้ค่ะพระอาจารย์ห้าปีโยมห้าหกปีเราเราไม่เคยได้รับอารมณ์แบบความรู้สึกสบายเย็นสบายอัศจรรย์อย่างที่เราไม่เคยรู้สึกมันสุขมากๆากพระอาจารย์แบบสุบสุบสุบมากมากค่ะเพระอาจารยเราไม่เคยสุขอย่างเงี้ยคือแบบจะสุขก็สุขฉันจะอยู่ตรงนี้แหละฉันจะแบบเย็นสบายกับสนจะตกก็ตกความรู้สึกแบบนี้นะคะพระอาจารย์มันคือมันคือใช่ไม่ต้องไปถามว่ามันใช่หรือไม่ใช่เ่ยมันไม่บอกเราเรา อาจารย์เราส่งก็ไม่ส่งข้างนั่นก็พอทามันส่งก็ส่งไงจะอะไรอีกอ่ะมันยืนยังไหมยมก็เลยอยากรู้ว่ามันคือใช่อาการที่อาจารย์บอกว่าเราสงบคุณคุณเป็นคนเจอมันแล้วมาถามเราได้ยงไงเราก็ยมอยากรู้มันใช่หรือเ่าเดยมไม่ก็เราไม่รู้นี่เราไม่รู้ว่าคุณเจอยังไงคุณไม่นแต่ว่าน่าให้เราฟังแล้วเจะบอกให้เราไปยืนยันได้ไงสันทิติโกสันทิติโกผู้ปฏิบัติยากเป็นผู้รู้เอง ใช่คะ่ะพระาอาจารย์แล้วมันเป็นครั้งแรกของการที่หญิงเข้ากรรมาฐานพระอาจารย์แล้วมันเลยทําให้หญิงแบบเดินมาทางนี้เ100ต็มร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นเชื่อในพระพุณพระธรรมประสงค์มันเมตติ้งได้ทุกครั้งหรือเปล่า ไ, ไม่เลยพระอาจารย์จากนั้นถึงวันนี้ห้ า, ห, าหกปียอมไม่ได้แล้วโยมก็จะได้อย่างที่เคยบอกอ่ะพระอาจารย์ว่าตัวเป็นคือเหมือนกับไฟช็อตตัวทุกอย่างมันติดกันแล้วก็บางทีบางทีเราเราดูลม ลมหายพอเราดูไปกลับมาตอนที่เป็นบวชพระอาจารย์ลมลมก็เล่นกับเราเหมือนกับว่าพอเราหายใจเข้ามันก็เข้าจนแบบแบบท้องแฟบติดสะพากุ้งก็นานนิ่งสะพา ก, ก็ลมออกออ ก, แบบออก็ออกจนแบบออกนานจนท้องเราแบบมันคือมันมันเล่นลมลมมันเล่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วโยมใส่ฮาร์ดแชเลด อ, อจะจัดการกันเต้นหัวใจพระอาจารย์หัวใจพระอาจารย์หัวใจหญิงเงี้ยไปร้อยห้าิบ เต้นอาตาัตราอัานเต้นของหัวใจเราอะคะ่ะร้อยห้าสิบกว่าเลยอะคะ่ะตอนนั้นคือเราแสดงว่าคือโยมสติแตล่ลมก็อยู่กับลมตลอดพระอาจารย์แต่ลมมันเล่นเราอะ่ะแล้วมันมันหะมันเข้าสูดออกก็ออกสูดโยมก็ดูลมมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราแต่การเต้นจริงๆเราต้องดูอย่างนี้ไปใช่ไหมคะพระอาจารย์แต่ว่า คือเขาแรงมากอะ่ะเขาเล่นแบบลมมันแรงมากพระอาจารย์แต่แต่ยมก็ดูไปดูไปสักพักเขาเขาก็หยุดอะคะ่ะแล้วจนจนหอนเราจากสมาธิยมก็มาดูฮาร์ดเลดหัวใจตัวเองมันเต้นแรงมากอันนี้คือทําถูกไหมพระอาจารย์หรือว่าเราก็ยังไม่สงบอยู่ดีมันก็ยังไม่มีอารมณ์อารมณ์ที่สบายแบ<ต>บมันมันไม่สงบมันก็ยังไม่ถูกอ่ะพระอาจารย์ห้าหกปีแล้ว่เจ้าค่ะ ม, มันสติมันน้อยไม่ใช่แล้ว ถ้ามีสตปก็ดูเฉยๆไปลมจะเป็นยังไงก็ลรู้ <ลง S 2> ต า, ามความเ ป, ป็นจริงของมันไปไม่ต้องไปยุ่งกับลมให้รู้เฉยๆค่ะพอาจารย์ก็คืออยู่มันอยู่อย่างเงี้ยมันยังมันยังไม่แต่ว่ารู้แต่ว่าทุกวันนี้ยความทุกข์แทบจะไม่มีเลยพะ่ะยการก็ทุกอย่างก็ยอมก็มองว่ามันเป็นตายรักมันเป็นมันเป็นอาจารย์ทุกขังอนณาตาแล้วใจเราก็จะมีความสุขเราจะไม่ค่อยทุกข์อะไรเยอะๆเลยพระยการเวลาอยู่กับท่าน เด็กกับสามีเราก็จะไม่ได้เถียงไม่ได้อะไรกับเขามากมายช่วยได้เยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์โยมจากปีปเวลาเจอความเจ็บไข้เวลาเจอความตายจะทุกข์ไหมคะโยมเคยแล้วค่ะพระอาจารย์ที่ที่โยมไปตรวจแล้วโยมมีจุดที่ปอดนะคะคุณหมอเขาฟันธงว่าโยมเป็นมะเร็งระยะสองตอนนั้นโยมก็ดูใจตัวเองโยมอเราก็ไม่ตกใจไม่กลัวเลยค่ะแล้วหมอถามว่าคุณมาคนเดียวเหรอโยงบอกโอเคไข้จริงมาคนเดียวแล้วคุณกลับบ้านได้ไหม ยังไม่ทุกเลยพระอาจารย์เนาะใจปกติยังมารายงานพระอาจารย์เลยค่ะว่าโยมสอบผ่านยมยมยัไม่รู้สึกกลัวแต่สุดท้ายทุกอย่างผ่านไปด้วยดีค่ะยมเป็นแค่ปอดอักเสบแต่ก็สรุปแล้วจากการที่เราไปทําซีซีเราเราหายจากการที่ปอดอักเสบที่ที่เป็นจุดที่มันเงาอะคะ่ะที่มันที่มันเป็นก้อนนะคะมันหายแต่มันมันดันไปเจอเนื้องอกที่ต่อหมวกไตแทนพระอาจารย์เราเร า, เร า, เ, ราเราหาตรงนี้มันมาเจอตรงนี้ พอเจอต่อมหมกไตมันก็เนื้องอกมันก็ตขึ้นเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์จนหมอบอกว่าสงสัยเขากลัวเป็นมะเร็งอิฐภาจารยหนิงบอกอ้าวเป็นมะเร็งอิฐแล้วเหรอเนื้อเอาโอเคหมอบอกว่าต้องให้ออกหนิงก็นัดยอมนัดให้เขาเอาออกอะค่ะเอาออกสรุปแล้วก็คือเป็นปกติก็คือเป็นเนื้อเนื้อปกตินั่นก็ออกมาเรียบร้อยและค่ะพระอาจารย์คือร่างกายอย่างเงี้ยถูกการผ่ามาเยอะแยะค่ะต่อมหมวกไตก็ตัดออกไปแล้วแล้วก็แล้วก็ต่อมหมวกไตตัดไปแล้วต่อมต่อมพาราไฮลอยก็ตัดแล้วเนื้องอกก็ตัดแล้ว ตัดออกไปหลายอย่างแล้วค่ะพระอาจารย์แต่โยมก็โอเคค่ะหลังจากได้ธรรมะพระจะเจอการผ่าตัดเจออะไรไม่มีกลัวไม่มีตกใจใจไม่เต้นคือทุกอย่างปกติมากเลยค่ะหลังจากที่เข้ามาฟุ้งใช้ค่ะพระอาจารย์โยมก็จะเดินทางนี้แล้วปฏิบัติต่อจะพยายามไปให้ถึงพยายามจะเร่งปฏิบัติแล้วจะมารายงานพระอาจารย์ค่ะ่พยายามยทำยอยู่ค่ะพระอาจารย์พระอายขายโยมขอกลับเรียนถามอีกรอบหนึ่งค่ะ ถ้าบ้านบ้านที่เราปลูกเอาไว้พระอาจารย์แล้วเกิดเราเราจะปลูกให้เป็นที่พักของครูบาอาจารย์จะมาพักเดือนหกอะค่ะมันเป็นบ้านสร้างใหม่แล้วอย่างนี้ถ้าคนจะไปนอนพักอ่ะค่ะเราต้องรักษาบ้านไว้ใช่ไหมคะคือจะต้องเป็นคนบริสุทธิ์ที่ไปนอนโดยจะต้องไม่ไม่ไม่ไม่เป็นสามีภรรยากันใช่ไหมเจ้าค่ะก็ถ้าอาจารยามันที่พักสอก็เราก็ไม่ควรไปใช้มันก็เก็บไว้ทำเป็นผ้าใช้อย่างเดียวอย่างเดียวผ้จะมา พอดีจะมีหลวงปู่จะมาจะมาแวะพักเดือนหกจ้ะค่ะหลวงหลว ง, งปู่คลาจะมาแวะพักพอดีท่านฉันจะเดินทางไปทางใต้<ป>แล้วก็พอดีอาจารย์อาจารย์แนะนําบอกว่างั้นระหว่างเดินทางอ่ะกลัวกลัวหลวงปู่เหนื่อยก็จะให้หลวงปู่แวะมาพักที่บ้านที่บ้านโยมเพราะว่าบ้านโยมบ้านใม่ละโยมกะเป็นที่พักของพระอาจารย์ด้วยค่ะงั้นโยมก็ต้องรักษาบ้านเอาไว้ถ<ข>้าอย่างนั้นใครจะมาพักโยมก็ต้องรักษาไว้ก็มันเกิน ถ้าเวลาพระมาพักก็อย่าให้โยไมไปพักด้วยก็แล้วกันแต่เวลาพระไม่อยู่เจ้าให้คนพักก็ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอ๋อเจ้าค่ะเจ้าคนตกก็ไว้เป็นทีน่บางคนเขาอาจจะบอกว่าเก็บไว้สําหรับพระอย่างเดียวไม่ให้ใครไปพักเลยก็ได้อย่าง<ช>นั้นจะดี<ช>แต่ถ้าเราอยากจะแบ่งให้โยมใช้เวลาไม่พักไม่ใช้ก็มันก็ไม่เสียหายอะไรบ้านมันก็เป็นบ้านอยู่ดีนะแต่ต้องเป็นเป็นบริสุทธิ์ใช่ไหมเจ้าค่ะไม่บริสุทธิ์หรอกเอาจอนไปอยู่ก็ได้ ไม่ใช่พระอาจารย์คือจะต้องแบบเป็นผู้หญิงครับต้องต้องไม่เป็นสามีภรรยากั้นใช่ไหมเป็นสามีภรรยาจะไม่น้อยกันที่นั่งก็ได้เหมือนจะเสียหายตรงไหนถ้าพาะไม่อยู่อา้าวเหรอคะจอมรูว<ต>้ว่าจะต้องเป็นที่ที่ที่สัปปยายัที่จะต้องจะต้องรักษาเอาไว้ก็พาะไม่อยู่พระไม่อยู่มั็นก้นจะรักษาไว้ทําอะไรโอเคค่ะเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะแต่ถ้าอยากจะรักษาก็ได้ไม่ว่าอะไรถ้าอยากจะ เ, เป็นที่แบบปฏิบัติของเราเ เก็บไว้จะไม่ไม่ให้ใครปฏิบัติเลยให้กับผ้าอย่างเดียวใครไม่ใช่เป็นท่าก็<อ>าห้ามก็ไปใช้เลยก็ได้อ๋อนน แ, แล้วแต่เราจะกําหนดมาตรฐานมาตรการขึ้นมาเองว่าเราจะเอาเอาลึกเอาเอาเข้มคนขนาดไหนออได้เจ้าค่ะพระอาจารยงั้นโยมจะได้เ ข, าออาข้าใจเพราะโยมก็คล่องใจเออแล้วอย่างนี้อย่างนี้เกิดคนอื่นไปพักจะได้ไหมถ้ามีคนมาขอพักอะไรเงี้ยโยมก็เข้าใจแล้วเจ้าค่ะค่ะขอบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ เราแต่บางคนถ้าของหนที่เราให้ครูบาอาจารย์ใช้แล้วเราก็ไม่อยากให้คนอื่นไปใช้ไปได้มอ่าค่ะร่้เข้าใจค่ะแลจาพูดตามความเป็นจริงถ้าท่านไม่ใช้ใครอย่ไปใช้มันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงตามหลักความเชื่อเรามักจะแยกกันของหนเป็นครูบาอาจารย์เราถือเป็นของสูงคนที่ต่างไม่ควรที่จะไปไปใช้ไปได้ค่ะ อย่างนั้นท่านกุฏิกบาอาจารย์ท่านตายเวลาไม่พานเองม่กด้เข้าไปใช้อยู่อ๋ อ, อได้ค่ะแพ้ยกเวนเ้นแต่ ว, ว่าอ่านในมลท่านอาจจะมาพักซั่วข่าวแล้วแล้วเราไม่รู้ว่าท่านจะมาอีกเมื่อไหร่แล้วระหว่างนั้นก็อาจจะให้เราก็เลือกให้อาจจะเป็นอพ่อหรือใครไปพักได้ก็แล้วแต่เราไงเราบอกว่าอย่างนี้คืแสดงว่าเราไม่ได้ยกให้ท่านเป็นของท่านเนี่ยคือให้แบ่งกันใช้ท่านใช้บ้าง แล้วก็ค<า>ือปฏิบัติได้โ okay, อเคได้ค่ะาาแต่ถ้าทําตามตามนิสัยทําองของกรรมฐานแล้วถ้าเป็นของครูบาอาจารย์แล้วไม่มีต้องแยกเลยไม่มีใครเข้าไปใช้เลยได้ค่ะพระอาจารย์ได้ค่ะรบขอบคุณในความรู้เจ้าค่ะพระอาจารย์อันนี้<ค>เป็นเรื่องของความเชื่อของความเคารพเท่านั้นอันนัน<ค>ที่เป็นครูบาอาจารย์แล้วเราก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปแตะต้องไม่ให้<ม>เป็นของท่านไปแล้วให้ฉันใช้หรือคนคนจะใช้ก็อยู่ในระดับ ครูบาอาจารย์มืนท่านค่ะได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์รักษาท่าทางนะคะยงปฏิบัติด้วค่ะสาธุค่ะฝากคุณโอพีเคอายยังไม่ได้ให้บทนะน้ำกล่าวล้วการพะอาจารย์เาค่ะได้ยินเสียงไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินได้ยินค่ะในนี้ลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะข้าว่ารวบฟังเจ้าค่ะ โ okay. อเคเรีนไปที่คุณปูเป้เค่ะพระอาจารยแม่น้องินนะชื่อปูเป้ค่ะพระอาจารย์ค่ะนักการเจ้าค่ะของหนูก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าค่ะอา่าได้ยินค่ะของหนูก็ปฏิบัติเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ก็ปัจจุบันก็ใช้ร่างกายที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดละค่ะพระอาจารย์ก็เลย ไปเรื่อยๆเลยค่ะนางกายของมนุษย์นี้วิเศษที่สุดสําหรับมรรคผลที่ผ่านจากพระอาจารย์เพราะว่าหนูก็มองตัวเองมันก็ไม่ต่างอะไรกับรถยนต์นะคะพระอาจารย์ก็เอารถยนต์ที่เหลืออยู่ใช้ให้คุ้มที่เกิดมาค่ะพระอาจารย์เข้าไปเข้าไปให้ที่ผ่านให้ได้เจ้าค่ะาทูเข้าไปอาจารย์ก็ลุยเต็มที่ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าหนูก็แบบเอา พิจารณาหลักธรรมไปด้วยอะค่ะพระอาจารย์ว่าอะไรเกิดประโยชน์อะไรเกิดโทษอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์เ อ, เอาสติก่อนให้มีสติตลอดเนะวลาเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ก็พระอาจารย์เจ้าค่ ะ, ค ะ, ะ, คะหนูสังเกตนะคะคือระยะเวลาการนอนน้อยมากเลยค่ะพระอาจารย์ปกติหนูก็จะนอนหลายชั่วโมงนะคะปัจจุบันนอนวันละสามหรือสี่ชั่วโมงเองค่ะพระอาจารย์พอตื่นมาหนูก็ลุยทํากับ อาหารทำากับเข้าวให้ครอบครัวเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็หนูก็ลองทานอาหารวันละมื้อค่ะพระอาจารย์แล้วผลก็คือว่าน้ำหนักก็ลดลงแล้วก็จะลุยทำงานมันไม่อ่อนเพียรนะคะพระอาจารย์ทำงานได้ได้ได้เยอะอะค่ะคือพอหลับปุ๊แบแป๊บเดียวก็ตื่นอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์คือแบบ ไม่ได้นอนนานเหมือนแต่ก่อนนะคะพระอาจารย์แต่ว่าหนูไม่ได้มานอนบนที่นอนเหมือนที่เคยนอนนะคะพระอาจารย์ต้องนอนบนพื้นค่ะพระอาจารย์ก็เลยใช้ชีวิตไม่ได้นอนเตียงค่ะพระอาจารย์นอนจต่พื้นอย่างเดียวอะคะ่ะก็เลยโ <Okay. S 2> อเคขอให้ปฏิบัติก็แล้วกันนะอย่าลืมสติทําอะไรก็ต้องมีสติตลอดเวลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เอาสติ ใ, ให้ได้ก่อนไม่เพอให้เป็นสัมปชัญญะ มีการล่นเรื่องน้น อ, อยู่ตลอดเวลาต่อค่ะพอาจารย์โ <Okay. S 2> อเคสาธุค่ะคุณนิงได้ยินหรือเปล่ารับหรือเปล่าเห็นอนอยู่นี่อ่าเสียงมีเปิดได้ไหมยังเปิดเสียงไม่ได้ได้ยินไหมค่ะพระอาจารย์ได้ยินแล้วค่ะพระต่อไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ตื่นค่าเพราเข้ามาฟัางหนึง่งงตัวลับแล้วเหรอ ลิงสองตัวหลับแล้วค่ะตอนแรกก็บอกว่าจะขึ้นมาเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นไปสงสัยหลับเรียบร้อยแล้วค่ะพอาจารย์เขาบอกว่ า, าววเขาเขามานั่งฟังกับพวกเจสซี่เขารู้จักกันไหมไม่รู้จักค่ะเขาเห็นเขาบอกว่าเขามองไปอ่ะก็เลยถามเพราะว่าอาดีเดย์อยากไปนั่งที่นั่นไหมครับอ่าถ้า ง, งั้นหนูไปเลยเขาก็หยิบเสืออะไรของเขาไปเรียบร้อยครับอาจารย์ แล้ก็ไปนั่งค่ะเรียว่าเห็นเห็นจำแนกกับเจ้าตี้ในห้องสูมค่ะใช่ค่ะเขาเขาไม่เออกเขาไม่เคยเห็นแต่เขาเห็นอยู่ที่นั่นนะคะพระอาจารย์เขาก็เลยไปเพราะว่าเขาไม่ค่อยกลัวพระอาจารย์เขาอยากทำเขาก็ประําแต่นี้รู้หน้าที่ว่าเขาที่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ออืเขาจะเรียกพระอาจารย์ค่ะหนูจะไปนั่งใกล้ๆทูจ้าไหมค่ะครับเขาบองอย่างนี้ยเขาก็ไปเองเลยอ่า ก็ค่ะก็ไม่มีอะไรครับพระอาจารย์แต่ก็จะพาเด็กๆไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็รู้หน้าที่แล้วแล้วก็รู้จักละว่าจะต้องไปตอนไหนค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องสอนอะไรมากถึงเวลานั่นมานั่งได้นะไม่ค่ะค่ะก็นั่งได้มีอะไรมากครับะอาจารย์เนี่ยอยู่ที่การฝึกฝนอบรมถ้าเราสอนเขาเขาก็เขาก็ทําได้ค่ะพระอาจารย์เหมือนไม่เหมือนตอนแรกที่ไปยังกะลิงแสดงว่ามีสติมากขึ้นแล้วสามารถควบคุม การขึ้นไหวได้ต้องอยู่ได้ใช้ได้ค่ะค่ะไปค่พระอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นงานเป็นกุศลของเขานะที่มีมีครูบาอาจารย์ดีๆสอนเขาค่ะพระอาจารย์ก็ได้บุญไอจากพระอาจารย์นะคะที่ได้สั่งสอนเขาบางครั้งเขาก็ถามนะคะว่านี่คืออะไรเป็นบางบางคําค่ะพระอาจารย์ก็คือไม่ได้เยอะหมายถึงอะไรอย่างเนี้ยอ่ะก็จะบอกเขา ไปว่าอ๋ออย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ได้เยอะแต่หนูกไม่ได้คาดหวังแค่เขานั่งนิ่งได้ก็ดีแล้วค่ะพระอาจารย์ให้เขาดูดซึมไป เ, เราสร้างบรรยากาศให้เขาไว้ค<า>่ะใช่ค่ะพระอาจารย์ก็รู้ว่ามีขนมปลาไหมหลังจากที่ฟังพระอาจารย์เสร็จก็จะไปให้ขนมปลาก็จะเดินเอาหอบขนมไปอยู่ที่อ่าสะแล้วก็ให้ขนมปลาค่ะพระอาจารย์ปกอดีค่ะดีจ้ะ ค่ะพระอาจารย์สอนให้ได้ทําุญทำทานได้ฟังเศทศน์ฟังธรรมได้นั่งสมาธิในกัตถวิยอนนะค่ะพระอาจารย์อันนี้ถือว่ามีเขามีของเก่าเขามาไหมคนะอาจารย์ถ้าไม่มีเขาจะไม่ยอมมาแล้วเขาจะเก้เขาจะพระเอาจะเอาโ น, น่นเอา那มาอยากาาข้ามาแล้ค่ะอาจารย์จอยค่ะพรอาจารย์เด็กคนนึเด็กคนหนึงพ่อก้นดึงให้มาใส่บาตรเท่าไหร่ก็ไม่ยอมมา แต่นี่ชอบชอบที่จะไปวันเสาร์นี้ไปไหมจะไปวันเสาร์วันเนี้ยอาิตย์ไปวันเสาร์เขาก็ว่าอย่างนี้นะคะพระอาจารย์ครับอือค่ะอ่าพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรครับ็หนูก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์อ่าอ่าอ่าวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะนราเทวา ตามน้ำมาสการเจ้าสาวอาจารย์ไงแต่ทดสอบค่ะให้อาจารย์ก็คือแบบอารมณ์ที่มันไปเจอในสิ่งที่เราไม่พึงพึงประสงค์แล้วก็เอาไม่อยู่กับอาจารย์ตรองตาวันปดหัวอยู่รับรตรงเรับตรงเลย <c oughs> ไม่ได้ซ้อมไว้ก่อนไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนก็พอนั้นก็ไดกฟังทำขอวันอาทิตย์วันที่แปดก็ พวกมันก็หายไปเลยหายไปเลยกับว่าอาจารย์ก็หายไปเลยบอกว่าพวกมันหายไปได้หายไปได้โดยที่อัศจรรย์หรือว่าเนาะคนเราก็แค่นี้แหละพอเอาลงให้ได้ก็มันก็แค่นี้แหละนะมันก็ไม่เที่ยงทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงอันนี้จังค่ะพระอาจารย์ก็ก็ในวันที่สิบสี่นี้ก็จะขึ้นเขาไปพร้อมกับคุณอาอุษาอ่าดี๋ยวไวเจอกันนะ แต่ทุาคุณใหม่คุณให ม, หคหม่คุณใหม่อยู่ที่ไหนครับนามัสการาอาจารย์ค่ะพร <า S 1> อาจารย์ได้ยินไหมคะ่ะ ห, หนูหนูเป็นเป็นหมออยู่จันทบุรีค่ ะ, ะค่ะก็พอดีเพิ่งเพิ่งเข้ามาครั้งครั้งนี้ครั้งแรกค่ะตแต่ก็น้อ ง, งเข้ามาแล้วน้งองามาแล้วะเพราะว่าตอนอช่วง ช่วงเดือนที่แล้วหนูได้มีโอกาสไปฟังธรรมะหน้ากุตเตียค่ะแล้วก็แล้วก็หนูก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นเป็นเป็นธรรมะที่ที่รู้สึกว่าตรงทางค่ะอาจารย์แล้วก็หนูจริงหนูปฏิบัติจริงจังมาประมาณปีหนึ่งอะคะ่ะก็ดูลมหายใจแล้วก็พอดีเป็นเป็นหมอมะเร็งด้วยก็เลยได้พิจารณาพวก พลานานุสติอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะดีได้ปัญญาค่ะช่วงนี้หนูก็ก็ดูลมหายใจจนจิตมันสงบตอนแรกของหนูตอนก่อนเข้าสมาธิถ้าสมาธิระดับตื้นมันเหมือนมันจะมีพวกนิ้มีแทรกอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ปล่อยๆไปไม่ได้ไม่ได้ไปสนใจมันแล้วก็เรื่อยพอลงไปเรื่อยๆพอมันสงบแล้วมันจะมีเหมือนมัน มันเป็นนิมิตวิปัสนาค่ะแบบว่าเหมือนจิตปัญฉายฉายว่าแบบเออถ้าเราตายมันจะเป็นอย่างนี้หรือว่าหรือว่าฉายว่าแบบออกายเป็นดินน้ำไฟลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มันเหมือนกับว่ามันไม่ได้คิดอะค่ะแต่ว่ามันเหมือนมันฉายขึ้นมาช่วงช่วงแรกที่ที่มันเห็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆแล้วมันก็รู้สึกว่าหลงว่าเราเป็นคนที่รู้เยอะอะค่ะ แต่ว่าพอไปเรื่อยๆแล้วมันก็เหมือนมันก็เบื่อแล้วมันก็มันก็รู้สึกว่ามันมีแค่นี้อะไรค่ะก็เลยปฏิบัติดูลมไปแล้วก็อะไรขึ้นมาก็ก็ดูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปสนใจดีกว่าให้ดูลมอย่างเดียวให้จิตเข้าสมาธิจะดีกว่าได้ค่ะอาจารย์ถ้จิตเข้าสมาธิแล้วมันจะมีความสุขมันจะมีความอิ่มแล้วมันจะไม่เบื่อมันเห็นอะไนก็จะเฉยๆได้ ได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าช่วงช่วงที่สมาธิมันเข้าเข้าเข้าเข้าลึกมันก็จะมีเหมือนมันเป็นปิติสุขแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยเรื่อยแต่มันจะไม่พิจารณาอะไรต้องเข้าลึกไปกว่า น, นั้นต้องคขายไปหมดเลยแล้วแต่อุเบกขาอย่างเดียวหมายถึงว่าพอลมหยาบเป็นลมละเอียดไปเรื่อยคือต้องให้ลมลมหายไปเลยเหรอไม่ต้องบังคับลมมันจะหายไม่หายไม่สําคัญให้เราให้เราดูไปเรื่อยเรื่อยก็แล้วกัน หายก็<ด>รวมันหายมันไม่หายก็รว่ามันไม่หายแต่จิตยังไม่รวงเข้าสู่สมาธิเต็มที่ได้ค่ะก็เดี๋ยวจะดูลมไปเรื่อยๆค่ะแล้วอาการากต่างๆเกิดขึ้นไม่อยากไปสนใจสนใจอยู่กับลมอย่างเดียวได้ค่ะคือก่อนหนูหนูหนูฝึกสมาธิมาตั้งแต่อายุสิบห้าค่ะแต่ว่าก็ทำทำหยุดหยุดจนเหมือนกับชีวิตมันมีความทุกข์ เข้ามาเยอะแล้วมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนให้แบบเหมือนอยากหาทางพ้นทุกข์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองมาทําอานาปานาสติดูก็รู้สึกว่าความทุกข์ในสิ่งสิ่งภายนอ ก, กนมันเหมือนเดิมแต่ว่ามันมันทุกข์น้อยลงค่ะใช่ใจเราจะทุกข์น้อยลงถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาค่ะมไม่อย่างฝึกสติทั้งวัน งานก็มีสติการงานที่เราทําไปค่ะอย่าปล่อยให้ใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่อยู่กับงานอย่างเดียวได้ค่ะระหว่างวันหนูรู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ยากอะค่ะแบบว่ามันมีสิ่งที่มาดึงไปเรื่อยหนึ่งไปเรื่อยใช่ใช่ค่ะต้องหาเวลาไปเข้าเข้าไปไปไปไปปิกวิเวกมาอยู่วันทักงามวันห้าวันอย่างนี้ได้ค่ะ เดี๋ยวจะ<ม>ต้องจัดเวลาเพราะว่า<ม>ช่วงช่วงปีใหม่จะงานงานเยอะเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวหนูอาจจะถล้ไมัเปิดปีเวกโอกาสที่จะเจริญสติให้เข้าสมาธิได้ไนมันมันน้อยมันยากค่ะ<ม>แล้วพระอาจารย์มีแบบช่วงเวลาที่กำหนดไหมคะว่าควรจะนั่งสมาธิวันละกี่นาทีหรือว่ากี่ชั่วโมงอ๋อ้าแต่เรามีเวลามากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนั่งมากเท่าไหร่ได้ยิงดี มันกินยานะี่ยถ้ากินยามากมันก็ทํ า, า, าให้โรคภัยไข้เจ็บหายเร็วขึ้นค่ะได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็มันมันก็เหมือนกับว่าก็คือที่ที่หนูเข้าใจที่พระอาจารย์เทศก็คือว่าท่านนั่งก็คือให้สงบแล้วพอมันอิ่มมันก็จะออกมาจเจริญวิปัสสนาอันนี้ก็คือเป็นโพสต์การเดินจิตที่ถูกต้องใช่ไหยคะ คือการนั่งสมาธิครับเพื่อให้จิตนิ่งสงบแล้วเวลานิ่งสงบก็ปล่อยมันนิ่งไปงนานๆอย่าไปดึงมันออกมาให้มันออกมาเองพอมันอิ่มตัวแล้วมันก็จะถอนออกจากสมาธิพ อ, อถอนออกมาแล้วมันก็เริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตอนนั้นอยากจะคิดทางปัญญาก็ ค, คิดไปคิดถึงอาการ32คิดถึงซากศพคิดถึงอะไรนี้ก็คิดออกมาพิจารณาได้ได้ค่ะแล้วการเดิน <ๆ S 1> การเ <ๆ S 1> ดินตรงขณะขที่อยู่ในสมาธินี่ไม่ให้คิดอะไรให้ให้นิ่งไปนัานๆ ได้ค่ะเงินจงกรมก็จะใช้จเจริญสติก็ได้นรืจะใช้ใช้ปัญญาก็ได้แล้วแต่เราจะถ้าเราอยากจะปัญญาก็พิจารนร่างกายไปถ้าไม่อยากจะพิจารณาก็ใช้สติดูเท้าไปหรือพูดโธพูดโธไปก็ดูที่ใจเราว่าใจเราเหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยถ้าบางที่มันเหนื่อยมันมันไม่อยากจะพิจารณาก็พักหยุดการพิจารณาแล้วก็ให้มันอยู่กับสติอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปได้ค่ะ ก็เดี๋ยวหนูจะเพียนไปเรื่อยๆหนูกราบพระอาจารย์ด้วยค่ะว่าหนูก็มือใหม่ค่ะไม่เป็นไรนะถักไม่ได้เรื่อยนมันก็เป็นมือเก่าเองกราบพระอาจารย์ค่ะขอให้พระอาจารย์ท่านแข็งแรงค่ะเดี๋ยวจะไปวัดบ่อยๆค่ะอ่าสาธุจ้ะใครต่อไปคุณอภิสิทธิ์เจ้าอภิสิทธิ์สกลนคร กราบนมัสการพระอาจารย์ครับไม่ได้มาหลายอาทิตย์แต่ก็มีความเคลื่อน้าวอยู่พระอาจารย์ทําอยู่ทุกวันครับพระอาจารย์แล้วก็อตรงที่พระอาจารย์บอกว่ารู้อยู่เฉยเฉยนะก็คือจังหวะที่เราทําภาวนาไปเมื่อความคิดมันเกิดเราก็เราเราก็อยู่กับคำบริกรรมพุทโธนั่นแหละอย่าไปทักไปทวงอะไรมันเราอยู่กับคำาริครรมพุทโธ ไอ้ตรงจุดเนี้ยมันก็จะเป็นทําให้จิตเราอคลายจากความคิดตรงนั้นได้เรียกว่าวางอารมณ์ตรงนั้นได้ครับอาจารย์เราพูดเถอะคอยดึงไว้คอยยึดยึดใจไว้ไม่ให้ไปยุ่งกับความคิดก็แวบแว๊แวมๆอยู่ครับอาจารย์มันหลุกๆโป๊ๆอยู่ก็ <S <s <ug> <ต> <S <s <ug> ประมัณนี้เลยมันดึงไปดึงมาแล้วแต่กําลังของส ต, ติก็ <s ug> <s ug> อยู่ประมาณนี้ครับอาจานนรย <s ug> ์พยายามยึดกับพูดเถอะไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะไม่ต่ตอนนี้มา ตรงนี้พอมาคําจุดได้แล้วครับอาจารย์ประมาณนี้ครับเข้าใจหลักการปฏิบัตินะนะเราอยู่บนโทรอย่างเดียวครับกลับขอบพระคุณอาจารย์ครับมาประมาณนี้ครับอ่าะนะตาศิริชาเนื้อสมบูระ์าการอยู่ศิริชาญค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปใส่บาทค่ะพระอาจารย์ค่ะก็จริงจริงเล่นๆอยู่ไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์แต่ว่า เจเริญปัญญานะคะพระอาจารย์เ อ, อคือมันมีมันมีอยู่ตอนหนึ่งอะค่ะที่ที่แบบว่าเรากำลันจะรู้สึกเอ๊ะรู้สึกไม่ไม่ไม่ดีกับใครอะไรเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ที่แบบว่าเขาทําไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ทีนี้เนี่ยลูกก็พิจารณาว่าเขาก็เป็นท่าดินท่าน้ำท่าลมท่าไฟเหมือนเรา ที่ที่ที่มีเป็นที่ไม่ดีคือกิเลส ข, ของเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอลูกเห็นตรงนั้นปุ๊บมันก็กลับมาที่ตัวเองเลยถ้าเราจะไปยุ่งหรือมีความมีปฏิกิริยาอะไรกับกิเลส ข, ของเขาสู้เรามาดูกิเลส ข, ของเราดีกว่าไม่มีประโยชน์เลยที่เราจะไปยุ่งกับกิเลส ข, ของใครแล้วกลับมาผิดตัวเองเนี่ยค่ะค่ะมันก็เลยหลุดจากความที่แบบจะมีความรู้สึกจเน็ตเขาไปว่าเขามันก็เลยหลุด หลุดไปหลุดไปตอนนี้ก็เลยไม่ไม่มีไม่ค่อยมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะพระอาจารย์จะดีจะเที่ยวกับเรื่องของเขาเราห้ามเขาขไม่ได้เปลี่ยนเขาไม่ได้ค่ะค่ะแ ล, แล้วเราเปลี่ยนตัวเราดีกว่าเปลี่ยนจากความความไม่ดีมาเป็นความดีดีกว่าค่ะพระอาจารย์ค่ะถูกต้องนะปฏิบัติไปเรื่อยๆจะเข้าใจว่าเราเราต้องมาแก้ที่ใจเราอย่างเดียวดูใจเราอย่างเดียวแก้ที่ใจ คนอื่นเราแก้ไปมันไม่ได้ทำให้ใจเราดีขึ้นแต่อย่างไดค่ะไม่มีประโยชน์ค่ะพระอาจารย์ถูกต้องมาันจะประเด็นแรกนักปฏิบัติต้องเข้ามาข้างในเข้ามาที่ใจแก้ที่ใจค่ะอพอมีเวลาก็ถ้ามีบางวันภาวนาได้ดีก็ภาวนาไปค่ะพระอาจารย์กลางคืนนะคะตอนตอนเย็นพอตอนกลางวันไปทำงานก็เป็นเป็นการใช้ปัญญาสมาร์ทค่ะพระอาจารย์ เพราะว่ามันเข้าสมาธิไม่ได้ดังนั้นค่เราใช้ปัญญาไม่ใช้สติคอยควบคุมใจไว้ค่ะพระอาจารย์ถูกต้องค<พ>่ะพอนี้บอนมันจะมาลูกก็ต้องคือคือตามคือคื อ, คอมันมาก่อนแล้วเราถึงเห็นพอเห็นปุ๊บเราก็ออกเลยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็พยายามไม่ให้มีไม่ให้จิตตัวเองมันมีทุกเป็นทุกอะไรกับอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์อืค่ะค่ะ คก็ก็จะคอยสังเกตนินว์นะค่ะที่มันจะทําให้เราถูกกระห hạ พาจารย์พอหยุดมันเวลามันโผล่ขึ้นมาค่าพาจาร์แล้วจะเพิกออกค่ะแล้วก็ใช้เป็นทั่วๆไปค่ะพาจาร์คดีมากดีมากการต้องพยายามนั่งสมาธิให้มากๆด้วยนะคาพาจาร์อย่างเดียวมันไม่พอค่าพอาจารย์ค่ะโอเคน้อมค่าพาจาร์ค่ะอคุณติศยาเวลาที่ว่า คแม่เขายิ้มเห็นลูกสาวแล้วยิ้มเลยแม่อยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่านวมัสการค่ะพระอาจารย์หนูมอมเห็นตอนนั้นนมัสการค่ะพระอาจารย์พระอาจ า, ารย์รรได้ยินเสียงไหมคะได้ยินคะอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่าอ๋อตอนนี้หนูไม่อยู่ที่ออฟฟิศค่ะพระอาจารย์ค่ะช่วงช่วงนี้อ่มรถหมายถึงร่างกายของหนูซ่อมไฟค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายค่ะพระอาจารย์อก็เป็นธรรมดานะพระเจ้าบอก เรามีความเจ็บได้ป่วยเป็นธรรมดาค่ะพอาจารย์ที่ผ่านมาน่าจะเมื่อวันซืนเนี่นแหละคะ่ะพระอาจารย์คือว่าเจอเวทนารุนแรงมากค่ะตั้งแต่เกิดมาหรือว่านั่งสมาธิแบบหลายๆชั่วโมงะคะ่ะไม่เคยเจอขนาดนี้มาก่อนเลยคะ่ะตอนปวดปวดแบบปวดเล้าไปถึงกระโหลกและทุกๆจุดในร่างกายที่ที่เป็นกระดูกคะ่ะพระอาจารย์ก็เลย มันมันขึ้นมาเองก็คือพุทโธพุทโธพุทโธไปสักพักแล้วมันหายค่ะพระอาจารย์เลยแบบเฮ้ยหายมันมันเหมือนกับคือความเจ็บมันยังหึงหึงอยู่นีดหน่ค่ะแต่ว่ามันบรรใจมันโล่งค่ะพระอาจารย์อะไรเออหรือว่าหรือท่องพุทโธหรือว่าลองดูมันไปหนูว่าหนูว่าหนูใช้ปัญญาหน้าตาไม่อยู่หนูก็เลยเปลี่ยนใจไปนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปค่ะแล้วก็เลยแต่ว่าแล้วมันก็บีบมากๆเลยเปลี่ยนเป็นคำว่าเจ็บค่ะแล้วก็ดูคําว่าเจ็บไปเรื่อยๆพูดว่าเจ็บเจ็บเจบแทนคำว่าพุทโธไป มันก็โล่งค่ะพระอาจารย์แล้วก็หลับไปกลายเป็นว่าพอตื่นขึ้นมาค่ะไอ้ ป, ป, ปัสสาวะาหายไปหายไปแบบแล้วดีขึ้นด้วยซ้ะค่ะมัน ม, มั น, เ, นเราเรียกธรรมะโ อ, อสถใช้ธรรมโ อ, อสถรักษาค่ะไม่ไม่น่าเชื่อเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตอนแรกหนูเจ็บขามีอาการเจ็บด้วยค่ะพระอาจารย์แล้วกะว่าจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสเพราะไม่สบายอยู่ พอใช้วิธีนี้ก็ตื่นมาเฮ้ยขามันดีขึ้นค่ะพระอาจารย์พระบอาจารย์ส่วนใหญ่เช่นจะไม่ค่อยไปโรงพยาบาลนะจะรักษาที่วัดรักษาด้วยสมาธิด้สติด้วยปัญญาค่ะพระาอาจารย์แต่ว่าก็เรื่องของคำคนยังยังอยู่ในยังไม่เอาเองยังฝึกอยู่นะคะพระาอาจารย์เพราะว่าคำด่าที่หนูเอามาท่องค่ะบางวัน ท่องไปมันไม่ไม่มันไม่ว่างมันโทดค่ะมันปวดหัวทนไม่ไหวขนาดที่เราขนาดเราคิดคําด่าเองนะคะมันยังแบบยังปวดเลยยังปวดใช่คัะมันมันมันเจ็บปวดค่ะพระอาจารย์เลยแบบเอาใช้พูดโทรก่อนให้จิตสงบมากกว่านี้ก่อนค่ะแต่ว่าถ้าบางคําที่เรารู้สึกพอโอเคก็ยังท่องอยู่นะคะแต่พอคําที่เริ่มเคยได้ยินคนว่าเราแล้วมันรุนแรงอ่ะค่ะเอาไม่อยู่ค่ะคักรับไม่ได้ยังรับไม่ได้ค่ะยังรับไม่ได้เลยค่ะพระอาจารย์ โอ <Okay. S 2> <ะ>เคพยายามฝึกถูกต้องครเวลาเจ็บคไายได้ป่วยก็ใช้สติใช้ปัญญานี่แหละแต่ถ้ารักษาได้ก็รักษาไปก็คู่กันไปส่วนนี้่<ะ>เราใช้สติใช้ปัญญารักษาใจไม่ให้เครียดกับความเจ็บของร่างกายค่ะอาจารย์เดี๋ยวต่อไปก็คือคุณหมอบอกว่าอาการหนุบแปลกๆต้องอาจจะต้องลองไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ใหญ่กว่านี้ค่ะ ก็อาจจะต้องลองไปที่โรงพยาบาลในที่หาดใหญ่หรือไม่ก็เข้าไปที่ศิริราชอีกทีนึงค่ะเพื่อลองตรวจดูค่ะไม่ต้องไปก็ได้หวานดูมันไปเรื่อยๆมันอาจจะหายไปเพราะมันนานๆมันจะโผล่ขึ้นมาทีก็ได้ไปทำไมให้มันเหนือยยากเบายุ่งยากเบาตอนก่อนหน้านี้ค่ะอาจารย์ที่ตอนที่ระหว่างที่หนูนั่งสมาธิเนี่ยแหละค่ะที่ระหว่างที่รอแต่ละท่านหนูก็เริ่มคิดอยู่เลยว่า ตอนแรกหนูงุดหงิดคุณหมอหนิดนึงค่ะว่าไม่ยอมฟันธงสัทีว่าหนูเป็นอะไรหนูจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดแต่เรามาคิดทีว่าเนี่ยถ้าสมมติไม่ไม่บอกก็ยังรักษาเหมือนเดิมสมมติถ้าหมอบอกว่าเป็นมะเร็งแล้วไงก็แค่รู้เอ๊ะไม่ต่างกันนี่นาเออเราจะหงุดหงิดทําไมสักทีก็ก็เพิ่งคิดได้เหมือนกันค่ะเมื่อกี้ค่ะพี่หมอเราไม่เจ็บไม่เป็นอะไรก็ก็ไม่นังให้นั่นต้องไปไ ป, ไปทําไม คือว่าเจ็บจนะทั่งทนไม่ไหวมันเจ็บมันไม่มันไม่ยอมหายก็ค่อยๆไปหาหมอดูถ้ามันไม่เจ็บไปทำํำไมเสียเวลาเราก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่ก็ต้องตายอยู่ดีคือพี่อาจาร์คะส่วนใหญ่เวลาที่หนูเจ็บหรือเจ็บมากๆจริงๆหรือเคยอวดอัดจนกระดูกเคลื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะมันหนูจะไม่ไม่เคยรู้สึกว่ามันจะต้องทุเลาทุลายคือพอเวลาใช้พุโทโธหนูก็ ดีขึ้นมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้พุทโธพุทจะแก้ความทุกข์ทางใจได้แต่ความทุกข์ทางร่งกจบางทีมันก็หายบางทีก็ไม่หายมันคนละเรื่องกันแต่ถ้าตอนนี้มันไม่เป็นอะไรก็ไม่ต้องไปให้เสียเวลาเราให้มันเป็นถ้าท่านทนไม่ไหวเจ็บในทางมันเป็นเนื้อล่างอะไรขึ้นมาแล้วค่อยค่อยไปดูก็ได้ได้รู้ว่ามันเจ็บจริงอันนี้มันอาจจะเจ็บบ้างไม่เจ็บบ้าง แล้วแต่เนี่ยเคิดอย่างนี้บางคนก็คิดว่าต้องรีบไปหาหมอจะได้กันไว้อันนี้ก็การไม่ได้หรอกถึงเวลามันจะเป็นมันก็ต้องเป็นอยู่ดีนะอาจจะยืดเวลาไปหน่อยแล้วมันเป็นช้าหน่อยค่ะพระอาจารย์ตามใจแต่จริงาเรื่องของใจนี้ต้องรักษาด้วยพุทโธด้วยสติด้วยปัญญาค่ะพระอาจารย์ โอเคนะนไปปฏิบัติแชร์แล้วเรื่องคําพูดคนเดี๋ยวก็จะฝึกเรื่อยๆคะ่ะช้าไปต่อไปถ้เราให้ใจสงบหน่อยแล้วค็เอาคาพูดที่เราไม่ชอบา ม, า ม, ม, มาพูดมาคิดมันถึงจะทําได้ถ้าใจไม่ค่อยสงบนี่กิเลสมันต่อสู้มันต้านต่อต้านค่ะงั้นอาจจะใช้พุโทโธไปก่อนก็ได้ค่ะคําพูดแรงๆบางคําค่ะออื <Okay S 1> อใจเริ่มสงบแล้วลองลอ ง, ลองมาใช้คํ า, าง่ายๆดูสิมันจะมันจะรู้สึกยังไงค่ะ ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์โอเคไปที่คุณปาล์มก็เลยในการสุดท้ายพอดีา ก, การนมัสการค่ะพระอาจารย์ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีคำถาม น, นะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของของเรื่องของการล้าค่ะพอดีวันนี้น้องชายหนูเก็โทรมาเขาบอกว่าบ้านบ้านที่ต่างจังหวัด อ, อีกหลังนึงเนี่ยกำลังจะขายได้แล้วก็ ตกลงกันว่าเดี๋ยวก็ก็จะมาเคลียร์ภาระนี้สินกันคําถามหนึ่งที่น้องก็ถามว่าพี่เสียเสียดายไหมอะไรเงี้ยหนูก็ตอบไปบอกไม่ไม่เสียดายหรอกมีไว้ก็เป็นภาระเอาไว้เท่าที่เรามีดีกว่าเลยจะได้ไม่ต้องแบบไปดิ้นรนหาอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะก็ก็หลังจากที่ที่เคลียร์ภาระนี้สินบางส่วนแล้วว่าหนูจะเหลือนี่น้อยละหนูก็เลยเลยเริ่มวางแผนแล้วว่าเดี๋ยวหนูจะจะจัดการเรื่องของชีวิตทั้งโลกใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือ การหา ง, งานที่แมทช <Okay. S 2> ์กับการปฏิบัติธรรมในอนาคตเนเพราะว่ารู้สึกว่าตอนเนี้ยทำงานค่อนข้างนนหนักแล้วก็สุขภาพไม่ดีแล้วก็ได้ปฏิบัติน้อยลงถทาเทเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าก็ยังคงทำอยู่เหมือนเดิมก็คิดว่าน่าจะจัดเวลาได้ดีมากกว่านี้ค่ะครับตัวให้มีเวลาปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นเจ้าค่ะขัดขอบคุณเจ้าค่ะโอเคสาธุ <c oughs> คุณลามีคำถามไหมคุณลา <c oughs> <c oughs> กราบนมัสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสองคำถามจากทางเฟ e b ุ๊ k เจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับการที่ผมอยากจะปฏิบัติธรรมแต่บางครั้งไม่สามารถทำได้ตามที่ตั้งใจทำให้ใจเป็นทุกข์ทุกแบบนี้เกิดจากกิเลสไหมครับควรพิจารณาอย่างไรเพื่อคลายทุกนี้ครับ ก็ต้องพิจารณาความจริงนะถ้าตอนนี้ยังปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องหยุดความอยากไปปฏิบัติก่อนไปรอเวลาที่เราไปปฏิบัติได้แล้วค่อยค่อยกา ย, ย, ยความอยากใหม่ขึ้นมาได้คำ ถ, ถามต่อไปการทำสมาธิเราสามารถพิจารณาได้อยู่แต่ถ้าเราทำสมาธิลงเป็นฌานเราจะไม่สามารถพิจารณาอะไรได้เพราะเหลือแต่ตัวรู้ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ แการทำสมาธิก็เพื่อให้เหลือตัวรูง้งั้นขณะที่ทำสมาธิไม่ควรพิจารณาหลายทั้งสิน้นถ้าพิจนารณาแล้วมันก็จะไม่สงบมันก็จะไม่เข้าไปสู่ตัวรู้ได้คำถามหมด okay, แล้วจ้งคะเวลาก็ใกล้จะหมดพอดีก็คิดว่าสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไว้เพิ่มทีพิจารณาไปปฏิบัติ เพราะความสุขความตะเจริญก้าหน้าในถี่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ